นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธะก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ไฟที่แสวงหาสัจจะหรธรรมะ ดูให้ดีพระองค์มีอยู่หลังมา่านมีตลอดอนันตการท่านไม่เห็นเฝ้าเรียกหาเห่าหอนหอนหาเป็นมีรู้เช่นเชิงหายิ่งห่างไกลหากใจของเจ้าเข้าถึงพุทธะผู้ซึ่งอยู่ที่นั่นเจ้าจักพ้นจาก กรรพลันเดี๋ยวนั้นในชาตินี้เองโครงของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านแต่งไว้ท่านบอกว่าพุทธะหรือสัจจะมีอยู่แล้วอยู่หลังม่านหลังม่านความคิดหลังม่าน การรับรู้ทางตาหูจมูกลิงกกายถ้าเรามัวแต่เรียกหาไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงหาจนตายก็ไม่เจอแต่ถ้าเข้าถึงเราจะไปพ้นกรรมทันทีเลยกรรมคือการกระทาด้วยความรู้สึกขมีตัวเรา อิเกรรมวิบากรมีสังสาวัตรเราจะไปพ้นสังสาวัตรทันทีลุงพ่อให้ชื่อเรื่องว่าการปฏิบัติกับการทำงานในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งเดียวกันหรือการงานในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือการปฏิบัติ ไม่ต้องไปนั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ต้องไปเดินจงกรมเดี๋ยวเราก็เดินเดี๋ยวเราก็ยินเดี๋ยวเราก็นั่งเดี๋ยวเราก็นอนทํากิจการงานในชีวิตประจําวันหุงข้าวหุงปลาซักเสื้อผ้าเขียนหนังสืออ่านหนังสือทํำอะไรต่ออะอยู่แต่รู้วิธีที่จะปลุกให้จิตของเรามันตื่นอยู่ตลอดเวลา จิตที่ตื่นก็คือจิตที่ไปพ้นจิตสามัญสำเนึกจิตสามัญสำเนึกก็คือจิตที่เราดำเนินอยู่ในชีวิตประจําวันที่เรียกว่าจิตของปุถุชนเนี่ยเราใช้เพียงปัญญาระดับเหตุผลกับปัญญาระดับความรู้เราเรียนรู้จบปริญญาสูงสุดปริญญาเอกเรียนตั้ง ยี 20, 30, 30่สิบสามสิบปีมีความคิดเชิงตั ก, กะเหตุผลดีเนี่ยจิตสามารถสมนึกเราใช้เพียงปัญญาสองระดับพุทธศาสนา น, นอกจากเราจะจะเน้นเรื่องศรัทธาจะต้องมีปัญญาร่วมด้วยถ้าศรัทธาไม่มีปัญญา ก็กลายเป็นความงมงายไปและปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาระดับความรู้ที่เราเรียนมาจนถึงระดับปริญญาเองไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากกระบวนการความคิดเชิงตักกะเชิงเหตุผลแต่เป็นปัญญายานหรือยานทัศน์ที่ยังรู้ ตระหนักรู้ความจริงยังรู้ตระหนักรู้ซาโตลิญี่ปุ่นเรียกซาโตลิบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมเอเลี่เตินเอเลี่เตินคือประจักษ์แจ้งความจริงพายะได้ยินพุทเจ้าพูดเพียงสองสามประโยค พายะไม่เคยเรียนรู้คําสอนพระเจ้ามาเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยได้ยินพระเจ้าพูดเพียงสองสามประโยคพายะเธอจงเห็นกสัตคตะวเห็นได้ยินกสัตคตะวได้ยินทราบกสัตคตะวทร า, าบเคยได้ยินไหมเคยมีคนพูดให้ฟังไห ม, มเห็นยังไงได้ยินยังไง ร, รู้ยังไง เพียงผู้ชาผู้แค่นี้พายะกับบรรลุธรรมผู้ชาทรงปยากรพายะนี่มีเอตตัคขะในการบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดเร็วกว่าทุกคนเลยอีกคนนึงที่เร็วก็คือท่านอัญญากลธัญญาแต่ท่านอัญญาโกลธัญะนั้นท่านปฏิบัติมานานแล้ว ชมาณะทางสูงตรงทั้งสองไม่ควรเดินให้เดินทางสายกลางท่านัญญาทัญยะก็บรรลุธรรมบรรลุธรรมคืออะไรอะไรคือธรรมที่เราจะต้องบรรลุคนที่บรรลุธรรมก็คือคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าดูหนังจีนก็มีตาดวงที่สามเนี่ยก็เรียกอยู่ที่หนาภาก ค, คือเห็นนะ หนังจีนเนี่ยคิกตาตาที่สามตาที่เห็นสัจจะตาที่เห็นความจริงตาที่เห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมรำอะไรที่ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาครทมอะไรที่เราเห็นแล้วได้ชื่อว่าเห็น าคตเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นทางตาหรือได้ยินทางหูใช่ไหมทางจมูกทางจินทางกายใช่ไหมไม่ใช่ทมนั่นก็คื อ, อสังกตะธรรมก็คือธรรมหรือสิ่งที่มันดำรงอยู่ของมันอย่างเป็นอมตะ ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นอมะตะบางทีเราเรียกว่าอมะตะธรรมทางภาษาพระก็เรียกสังคตะธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันธรรมอีกชนิดหนึ่งที่เรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายนี่เขาเรียกสังคตะธรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย ันความจริงสูงสุดที่ได้ชื่อว่าได้เห็นแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้เห็นพระพุทธองค์นั่นก็คือสุญญาตาหรืออามาตะธรรมนี่แหละมีอยู่แล้วเขาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถ้าเห็นสิ่งนี้เนี่ยได้ชื่อว่าได้เห็นพุทธะได้เห็นพระพุทธองค์นะดูให้ดีพระองค์มีอยู่หลังมากเขาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องเห็นได้ด้วยปัญญายานยานทัศนะปริชายานเป็นตัวรู้เป็นธรรมชาติรู้ที่มาจากจิตที่มันว่างจากตัวตนเป็นธรรมชาติรู้ ที่เกิดขึ้นในมิติของจิตเหนือสำนึกหรือที่เรียกว่าโลกุตระจิตจิตเหนือโลกเหนือเหตุผลถ้าจิตทิงเราไปพ้นเหตุผลเมื่อไหร่ปัญญาตัวนี้ก็จะออกมาแสดงทำหน้าที่ร่วมกับการงานในชีวิตชุําวมนหรืพ์พอจะชี้แนะทาแนวที่พระเจ้าทั้งชี้ไว้ ให้เราไปพ้นจิตสามันจำนึกซึ่งการพูดของหลวงพ่อเมื่อคราวที่แล้วใครไม่ได้มาฟังเมื่อคราวที่แล้วโยมมาได้มาฟังหลวงพ่อแบ่งการปฏิบัติไว้สามระดับเลยกันตอนที่หนึ่งพูดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่สองวันนี้จะพูดตอนที่สองกับตอนที่สาม ซึ่งแต่ละตอนเนี่ยเราไม่ได้เข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติเพียงเดือนสองเดือนปีสองปีห้าปีสิบปีหลังจากที่หลวงพ่อได้เห็นทรรมไม่รู้วิธีและเข้าถึงสัจจะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็ประมาณ ยี 23, ่4บสามยี่สิบสี่ปีที่หลวงพ่อเพียรอยู่องค์เดียวปฏิบัติเพื่อที่จะทำการอย่างรู้ตรงนี้ให้มันสมบูรณ์แตถแ่ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็พอจะชินนะในตอนที่สามได้ตอนที่สามก็ประมาณอีกสองเดือน ตอนที่หนึ่งหลวงพ่อในชี้เนี่ยในหลักการการปฏิบัติที่ผู้เจ้าพูดไว้ในหลักการของการปฏิบัติในหลักไต ร, ไตรสิกขารู้จักมไตรสิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือพูดง่ายๆศีล ส, สมาธิปัญญาศีลตัวนี้คือความเป็นปกติของจิต ไม่ได้ไปนเน้นเรื่องศินห้าสินแสินสิบแต่เน้นที่ผลศินคือความเป็นปกติของจิตจิตของเราเนี่ยมันปกติอยู่วันวันหนึ่งเนี่ยจิตมันปกติอยู่ส่วนมากเราไม่ได้โกรธใครทั้งวันเราไม่ได้รักใครทั้งวันเราไม่ได้มีอารมณ์พอใจไม่พอใจทั้งวันไม่ใช่แต่จิตของเราเนี่ยมันปกติอยู่เป็นส่วนมาก พระเจ้าท่านทรงเปรียบว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาครอบงาจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอะไรต่างๆนั้นเนี่ยความวิตกกังวลเหมือนอาคารตุ ก, กะเหมือนแขกที่มาเยี่ยมเราเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเลยเขามาเยี่ยมห้านาที10นาทีเดอกก็ไปหลังจากนั้นใจของเราก็ปกติ แต่เราไม่เคยสังเกตมันทนั้นนี่ตรงที่เราไม่ได้สังเกตมันนี่แหละก็เรียกความหลงมันเลยไม่มีปัญญาค้าเรียกว่าอาวิชชาไม่มีวิชาไม่มีปัญญายังรู้ความจริงตกลงที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันมีความหลงหรืออวิชชาเป็นพื้นฐานของการคิดการพูดการกระทำ เราดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของอวิชชาพอพื้นฐานจิตไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงเรื่องอวิชชาจิตมันก็ปรุงแต่งสบายเวลาเรากระทบอารมณ์ต่างๆเข้ามาทางตาหูจมูกจิตมันก็คิดปรุงแต่งไปเกิดความรู้สึกชอบชังทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เกิดกระบวนการความคิด ความคิดจะสร้างความรู้สึกมีตัวเราเรียกว่าอัตตาหรือตัวตนเป็นศูนย์กลางของการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้ลกายเราจะรับรู้อย่างแบ่งแยกมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มีลูกมีนามที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในมิติของจิตสามัญจำเนื่อทุกครั้งที่เราเห็นทุกครั้งที่ได้ยิน ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้หรือรูปนามเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดใครจำเหตุให้เกิดความทุกข์ได้บ้าปฏิจจสมบทบาทอาวิชชาทหา้เกิดสังขารสังขารทำห้เกิดวิญญาณวิญญาณทำห้เกิดนามรูปนามรูปทำห้เกิดสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติก็เป็นความทุกข์ ชลาโมระโสกับปริตทถะทุกขโทมนันนัุปายาสานี่คือเรื่องความทุกข์เนี่ยเหตุให้เกิดทุกข์มันเริ่มจากอาวิชชาเพราะไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงพอเรารับรู้ทางตาทางหูทางจมูกแล้วเรื่อยกระบวนการความคิดเริ่มจากความจําจําได้นี่แก้วนี่คนนั้นชื่อนั้นจินนี้กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีฉันหรือเราหรือกูอฉันเห็นไอโนนฉันเห็นคนนั้นฉันเนี่ย นี่น้ำรู้เกินแล้วทุกครั้งทุกกระบวนการความคิดที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายมันจะรับรู้อย่างแบ่งแยกมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้เป็นไปได้ไหมเราจะรับรู้เฉยๆ <c oughs> ยอมบอกไม่ได้สัน <c oughs> เป็นไปได้ไหมแล้วจะเห็นเฉยๆจะยินเฉยๆเนี่ยพายะ ได้ฟังวิชาพายะที่จงเห็นสักแล้วเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินพายะเห็นเฉยโดยไม่มีกระบวนการความคิดสร้างสิ่งที่ถูกรู้สร้างผู้รู้เลยได้ยินเฉยไม่มีสิ่งที่ถูกได้ยินไม่มีผู้ได้ยินประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันจะเฉยได้หรือไม่เฉยได้มันอยู่ที่ว่าขณะที่เราเห็นเนี่ยใจของเรามีความคิดหรือเปล่า ถ้ามีความคิดมันก็มีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้พอมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้มันก็เอาความรู้ที่เราจดจาไว้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งนี้เลได้ยินให้ข้าตัดสินลงความเห็นเป็นความเห็นนี่ยที่ขัดแย้งกันเป็นทวิภาวะหรือเป็นคู่คู่สูงตำ่ำดำขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งใกล้ไกลใหญ่เล็ก ทูกผิดดีชั่วเห็นไหยนี่คือปัญญาระดับเหตุผลเนี่ยพอเรารับรู้มีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้เอาความรู้่าเปรียบเทียบลงความเห็นเกิดความรู้สึกหลังจากลงความเห็นเกิดอะไรเกิดความรู้สึกชอบชังชอบไม่ชอบจิตมันก็ปรุงแต่งใหญ่ทำมันชอบมากปรุงจนเป็นความโกรธปรุงจนเป็นความโลภกิเลสเกิดเลยไหมพอกิเลสเกิดเกิดอะไร ความต้องการดันหาเกิดความต้องการเกิดการกระทำนี่คือกรรมตกเขาอยู่ในสังสารวัตและกิเลสกรรมแล้วก็มีผลสุขบ้างทุกบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างหัวเราะบ้างเล้าให้บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเนี่ยเราดาเนินชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วก็ยึดถือสิ่งที่เราได้เราเป็นเรามีพระเจ้าทรงสรุปว่า สังคิตินะปัญจุปาทานขันาธาตุกาว่าโดยย่ออุปาทานที่ยึดขันที่ยึดในขันห้านี่แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์ละยึดถือในอะไรบ้างยึดถือยึดถือในอารมณ์ที่มากระทบเรียกว่ากามุปาทานอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบพอใจไม่พอใจอันนี้ถูกสเปกอันนี้ ยึดถือในอารมณ์ยึดถือในความเห็นเนี่ยที่บ้านเมืองเราทะเลาะเบาแวงกันทุกวันแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยเรายึดถือในความเห็นของเราของข้าถูกของเองผิดไม่มีใครเลยบอกว่าของเองถูกของข้าผิดใช่ไหมโยมมีแตข่ข้างก้านนะถูกคุณนี่แล้วก็ยึดถืออืผมมีทะเลาะกันมากก็เพราะไอ้ความยึดถือเนี่ยคือเห็นไม่ตรงกัน เรื่องเดียวกันเห็นไม่ตรงกันยึดถือในรูปแบบภูมิเนียวัฒนธรรมพิธีรีตองต่างๆต้องอย่างนี้ต้องจุดทุปสามดอกต้องดอกเดียวต้องกราบนี่พิธีรีตองยึดถือในหัตวาตุปาทานยึดถือในความหมายของภาษาใครว่าเราเป็นหมูเป็นหมาอะไเป็นไงโกรธนะโกรธเพราะเราให้ค่าวว่าหมูหมานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสัตว์ที่ตำ่ำ นี่คืออัตาวายึดถือเป็นตัวเป็นตนยึดถือในภาษาวาะทะคำพูดความยึดถือทั้งสี่นี่แหละคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำยังไงเราจะละวางเหตุให้เกิดทุกข์ได้ทำยังไงเราจะละวางเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากปัญญา พลการปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งจะเรียกว่าปัญญายาณปรีชาญานญานทัศนะหรือสัมมาทิฐิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญญาตัวเนี้ยถึงจะละวางความยึดถือต่างๆได้เพราะการปฏิบัติก็เพื่อจะปลุกธาตุรู้หรือปัญญาญาณตัวนี้แหละให้ยังรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง ที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วลงความเห็นว่ามันสูงมันต่ำมันดำมันขาวนี่ไม่ใช่ความจริงคนนี้อ้วนคนนี้ผอมคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยนี่ไม่ใช่ความจริงแต่ปุถุชนล้วเนี่ยนึกว่าสิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสเนี่ยคือความจริงประสาทตาหูจมูกเลี้ยงกายเนี่ยรู้ความจริงไม่ได้ต้องเป็นปัญญาญาณเท่านั้น ต้องเป็นปัญญาที่มาจากใจที่ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวเราจากอันตาว่างจากของเราว่างจากตัวเราเท่านั้นก็คือใจของเราที่เข้าถึงความว่างหรือสัจจะเมื่อไรก็ตามจะขบวนการความคิดที่สร้างความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่มันจะหายไปตัวตนมันจะหายไป สภาวะองศักดิ์มันมีปัญญาอย่างรู้ความจริงปัญญาตัวนี้แหละจะทําให้เราละวางความยึดถือต่างๆเมื่อละวางมากขึ้นจิตของเราก็เป็นอิสระไม่ว่าจะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ปรุงแต่งเลยนี่จิตเป็นอิสระแต่ถ้ายังปรุงแตง่งยังคล้องเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ทางทวารใดก็ตาม ก็เกิดปัญหาขึ้นเหมือนนั้นเพลั้เป็นไปได้ไหมที่เราจะรับรู้เฉยๆซึ่งอาตมาได้แนะนำวิธีการที่พูดเจ้าพูดไว้ในหลักการปฏิบัติไกลศิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพู้เจ้ากลัวคนจะฟังไม่สาใจทรงอุปมาอุปไมยเหมือนกับเหมือนกับอะไรโยม ฟังหรืวเ่าขาวที่แล้วโคไม่รู้อ่อนเลีมยมหญ้าแล้วชำเลืองดูลูกน้อยนี่นี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเราเองนะนี่มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองแต่คนไม่ค่อยเอามาแม่โคมีลูกเล็กๆอยู่ตัวมันเลีมยมหญ้าไปชำเลืองดูลูกไปเหมือนกับเราต้องทำการงานในชีวิตประจำวันชำเลืองดูใจเราไปเด้อ ปกติใจของเราเนี่ยมันไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งนิ้ง่ายอยู่กับรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างลดลงมันอยู่เฉยไม่ได้มันเหมือนกระลิงมันต้องไปเกาะไอ้นู่นเกาะไอ้นี่ถ้าอยู่คนเดียวไงมันเหงาต้องไปเกาะเพื่อนคุยอะไรนั่นอยู่คนเดียวไม่ได้จิตจิตสามันที่มันไม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้เขาเปรียบเหมือนกับลิงไปเกาะกับรูปทั้งตาไปเกาะกับเสียงมันอยู่เฉยไม่ได้ เขาก็เลยบังคับเองจะไปหน่อยไปอยู่ที่ลมหายใจอยู่ทุกลูกแก้วบังคับบ่อยๆสงบแต่โยมรู้ไหมว่าการที่เราทําอย่างนั้นมันยังมีสิ่งนี้ถูกรู้มีผู้รู้เนียลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ลมหายใจมีนามมีรูก ระบใดที่ยังมีผู้รู้อยู่ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงก็เกิดไม่ได้พรูเจ้าปฏิบัติอยู่กับสองอาจารย์阿าระดาโปตุกาดาบทได้ฌานได้สมาบัติเจ็ดสมาบัติแปสงบมากแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะยังรู้ความจริงหรือแต่จะรู้ความจริงท่านจากสองอาจารย์มาแสวงหาในตัวเองจนวันเพ็ญเดือนหกก็ได้พบและก็ถ่ายทอดไว้ในเรื่องของอริยสัจสี 4. จำได้นะทุกเหตุให้เกิดทุกที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเหตุให้เกิดทุกมันเริ่มมันเริ่มจากอาวิชชาทำให้เรารับรู้อย่างแบ่งแยกเป็นเรื่องของการปรุงแต่งความคิดไปตลอดสายเลยนะเรื่องความคิดแต่นั้นตั้งแต่การรับรู้อย่างแบ่งแยกเนี่ยถ้าเราตัดกระบวนการความคิดจะได้การรับรู้อย่างแบ่งแยกก็ไม่มีมันจะมี สักตะวะเห็นสักตะวะได้ยินเนี่ยการฝึกของเราเนี่ยเราจะฝึกสักตะวะเห็นสักตะวะได้ยินฝึกด้วยวิธีการของพุทธเจ้าโคไม่รอก่อนเลีมยมหญ้าชำเลืองลูบน้อยแม่โคเลียมหญ้าไปชำเลืองลูบลูบไเราจะฝึกได้ตอนไหนตอนที่เรานึกขึ้นได้สติตอนแร ก, แรกต้องอาศัยสติตอนแรกนี่ต้องอาศัยสติสติกิจามารถจำนึกนี่ก็มีสติ แต่สติมันทำงานร่วมกับฝังรู้สึกก็มีตัวเราสติทำงานร่วมกับประสาทสัมผัสทำงานร่วมกับจิตสตินี่เป็นเจตสิกสติเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายกุศลเมื่อสติเกิดเนี่ยมันจะทําให้เราทําอะไรดีรู้จักอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีก็หยุดจนะ้ะไม่กระทาสติช่วยให้เรารู้ว่า อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีเป็นฝ่ายกุศลน่ะ ร, รมทำให้เราคิดดีทำดีพูดดีแต่สติไม่สามารถจะยังรู้ความจริงได้สติรู้ความจริงไม่ได้สติเป็นส่วนที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยจะไปยังรู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัยไม่ได้สังตธรรมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัย เพราะนั้นขันห้าของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายประสาทต่างๆหรือจิตจกัจจวิวิญญาณสุตตวิญญาณคณะวิญญาณกายวิญญาณจะไปเห็นสัจจะไม่ได้เลยจะไปรู้สัจจะไม่ได้เลยสัจจะจะรู้ได้อย่างเดียวด้วยปัญญาในตัวของมันเองตอนนัวเองและทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงอยู่แล้ว วันที่พระพุทธเจ้าได้ จ, จัดฉลูท่านก็รำพึงมาว่าแปลกจริงหนอปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงนี่มีอยู่แล้วในคนเราทุกคนแต่เพราะขะบวนการความคิดที่เกิดจากความยึดถือเพราะเอาวิชานี่แหละมันบงังเพรา ะ, ะนั้นก็บอกให้ยมดีใจว่าปัญญาตัวนี้ยมมีอยู่แล้ว ประตูที่จะเข้าถึงปัญญาตัวนี้หรือประตูที่จะเข้าถึงสัจจาก็คือจิตประพัดสอนของเรานั่นเองเคยได้ยินไหมจิตประพัดสอนสมัยหนึ่งพระเจ้าอยู่กษา ว, วกลุ่มหนึ่งท่านตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายจิตของเราเนี่ยมันประพัดสอนอยู่นะอุปรกรณ์ เ, เนี่ยมันเหมือนอาคารตุงกะจอนมาทําให้ใจเราเศร้าหมองชั่วคราวพระพระสารมีทางจิตทางพิฆวเว อากาตุเกหิอุปกิเลสหิอุปกิลิถังไออุปกิเลสเนี่ยเหมือนอากาตุกตาจอนมาทำให้จิตของเราเศร้าหมองชั่วคราวพอกิเลสไปแขกไปจิตของเราก็พระพศรเหมือนเดิมจิตประพสศรตัวนี้แหละนี่ทางเถรวาสทางมหาญาณก็เรียกจิตเดิมแท้จิตหนึ่งจิตพุท ธ, ธะเซนก็เรียกจิตพุท ธ, ธะจิตหนึ่งเถรวาสเรา เรจิตประพสสอนจิตประพสอนตรงนี้แหละคือประตูที่จะทําให้เราเข้าถึงสัจจะไม่มีวิธีอื่นเลยใช้ความรู้ก็ไม่ได้ใช้ความคิดก็ไม่ได้แต่เวลานี้เราไม่รู้จักประตูเราไม่เคยเราไม่เคยเอาประตูตรงนี้มาใช้เราเลยเข้าไมถึงสัจจะเราก็ใช้กระบวนการความคิดไปพิจารณาไตรลักษณ์ เห็นลูกเห็นนามัมนเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงบังคับมันก็ไม่ได้สรุปว่ามันไม่มีตัวตนมีตัวตนไม่มีตัวตนเกิดดับถูกผิดดีชัว่วสูงต่ดำดำขาวนี่ยังเป็นปัญญาระดับเหตุผลไม่ใช่ความจริงยมอย่าหลงว่าการพิจารณาใจรักนี่คือวิปัชนาญาน หลวงพ่อพูดยงนี้ยมหลายคนไม่ชอบใจ <c oughs> โยมเอาไปคิดดูกันแล้วกันว่าถ้าเรายังใช้เพียงปัญญาระดับความคิดที่ไปเห็นมันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัวตนนี่นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมสัปะนะทางสุดโตรงทั้งสองมปนคนเดินได้เดินทางสากลางความสุดโต่งทั้งสองนี่คะคือปัญญาระดับเหตุผลถ้าเราลงความเห็นว่าเป็นคู่คู่อะไรเนี่ย นี่คือปัญญาระดับเหตุผลเห็นมันสูงเห็นมันต่ำเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันเที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงบังคับบัญชามันได้บังคับไม่ได้ไปสรุปว่ามันไม่มีตัวตนซึ่งตรงข้ามกับมีตัวตนแต่ก่อนเราไม่ได้พิจารณาเราไปยึดมันมีตัวตนก็เลยไปหาความไม่มีตัวตนด้วยความคิด วิปัจจนายานเนี่ยมันเป็นการรู้โดยยานใช่หไหมวิปัจจนายานลงท้ายโดยยานรู้โดยยานรู้แจ้งโดยยานมันไม่ใช่เรื่องความคิดยานเกิดเมื่อใจเราว่างจากตัวตนใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะเมื่อไหรเป็นหนึ่งเดียวกับอสังกตธรรมอะไร่ยานก็เกิดยังรู้สิ่งต่างๆโอ้ทุกสิ่งที่เราเห็นนี่ทุกสิ่งที่เราได้ยินทุกสิ่งที่เรารู้ทางประสาทสัมผัสนี่ มันเป็นงมันเช่นนั้นเองตถาตาไม่ใช่ไปสรุปว่ามันเกิดมันดับมันเที่ยงมันไม่เที่ยงมีตัวตนไม่มีตัวต น, ตตนไอ้นั่นยังเป็นปัญญาระดับเหตุผลวิพัฒนายารูยังไงรู้โดยญาณเนี่ยมันรู้ยังไงญาณเนี่ยมันจะอย่างรู้สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงในอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง เห็นกายในกายเห็นกายหรือ şey, ส nee, ิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยในสิ่งในกายที่ไม่ปรุงแต่งเคยได้ยินธรรมกายไหมไม่ใช่ธรรมกายของสามนะธรรมกายในพระไตรปิฎกเนี่ยชัตจะสูงสุดเนี่ยเขาเรียกธรรมกายถ้ารู้ได้ยานเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เกิดจากการปรุงแต่งที่เรารับรู้ทางวัตสัมปันเปลี่ยนแปลงในอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือเห็นกายที่มันเกิดจากการปรุงแต่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายนี้ในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงในสัจจะที่ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาในเวทนาเห็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเจ็บปวดเนี่ยในจิตที่ว่างในจิตที่เป็นในจิตที่เฉยๆ เ, เนี่ยยานมันอย่างรู้อย่างนี้ เห็นจิตในจิตจิตในจิตก็คือจิตทั้งขันห้าที่มันทํางานรับรู้ต่างๆหูจมูกนิ้วความคิดต่างๆในอีกชิ่งหนึ่งที่ไม่ได้คิดเลยคือความว่าเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในธรรมกายที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่นี่คือการรู้ด้ยปัญญายาณเป็นเรื่องการยังรู้ไม่ใช่เรื่องความคิด เพราะในโลกรุ่นในจกักรวาลเนี่ยมันมีความจริงอยู่สองอย่างสังกตธรรมกับสังคตตธรรมสังกตตธรรมก็คือปรากฏการต่างๆตัวเรานี่สังกตตธรรมอีกสิ่งหนึ่งคือสุญญาตาหรือสัจจะสูงสุดหรืออมตะธรรมเขาเปรียบเหมือนคลื่นกับน้ำ คลื่นเกิดจากเหตุจากปัจจัยคลื่นเล็กคลื่นใหญ่คลื่นน้อยฟองเกิดจากเหตุจากปัจจัยแต่ธรรมชาติที่แท้ของคลื่นคืออะไรนา้าใช่ไหม้าไม่มีนะมีคลื่นได้ไหมไม่ได้ตัวเรานี่็เหมือนกันสรรพสินนี่เหมือนกันถ้าไม่มีความว่างถ้าไม่มีสัญญตาถ้าไม่มีอาศังกต ร, รมสังกตธรรม ปรากฏการต่างๆก็มีไม่ได้โยมนึกถึงคลื่นกับ น, น้ำเว้ยฟังดูมันมีสองอย่างแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันเพรอหมดเหตุหมดปัจจัยคลื่นก็สลายกลายเป็นน้ําลาบเรียผมมีเหตุมีปัจจัยเกิดคลื่นใหม่คลื่นก็คือน้ำเพราะปรากฏการต่างๆเนี่ยคือความว่าสัพเพ昙ธธมาอนณตา อนัตตาหรือสุญญตาเนี่ยสิ่งเดียวกันคือความว่างสัพเพธรรมะทำทั้งปวงไม่ว่าจะสังกตาอสังกตาคืออนัตตาอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะอนัตตาคือสภาวะที่ไปพ้นความมีและความไม่มีอีวันนี้โยมฟังแปลกไหมอนัตตาคือสภาวะที่ไปพ้นของคู่คู่คคมีไม่มี สูงต่ำดำขาวยาวสั้นเยน็นร้อนอ่อนแก้งถูกปิดอ น, นัตตาคือสภาวะที่ไปพน้นเหตุผลแล้วนั่นแหละคืออนัตตาหรือสุญญาตาทุกสิ่งเนี่ยก็คือความว่างเราจะยังรู้ตรงนี้ได้เมื่อเรามีปัญญายานโอที่เขาบอกให้หาตัวตนที่แท้ให้เจอตัวตนที่แท ของเราก็คือความว่างนั่นแหละไอ้ตัวตนปลอมๆที่เกิดจากความคิดตัวกูของกูอะไรนี้ไอ้ีตัวตนปลอมๆที่เราทุกอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะไอ้ตัวตนที่เกิดจากความคิดปลอมเนี่ย hmm. ทำไงเราจะขจัดความยึดถือได้ไม่มีปัญญาระดับไหนที่จะทำลายหรือขจัดนอกจากปัญญาที่ไปพ้นเหตุผลแล้วเท่านั้น นั่นก็คือปัญญาญา น, นั่นเองดังนันการปฏิบัตินี่ว่าจะเดินตรงกรมนัง่งสมาธิหรือทำอะไรที่เรียกว่าปฏิบัติก็เพื่อให้ปลุกธาตุรู้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายานอย่างรู้สิ่งต่างๆ ต, ต, ต่างความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมเราจะปลูกธาตุรู้ในขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนทําการงานในชีวิตประจําวันถ้ายอมปลุกธาตุรู้ตรงนี้ได้การงานในชีวิตประจําวันกับการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งเดียวกันเนี้ย โยมทำงานอยู่งานบ้านเนี่ยทายมรู้วิธีที่จะปลุกธาตุรู้ตัวนี้ขึ้นไปพ้นความรู้ไปพ้นเหตุผลปัญญายา น, ยา น, นยานตัวนี้เกิดยานตัวนี้แหละจะเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตในชีวิตประจำวันเริ่มต้นด้วยอะไรสติใช่ไหมที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นึกขึ้นได้ตอนไหนชาเลืองมองคิดใจพอใจมันว่างปัญญายานก็เกิด ยานตัวนี้ถ้ายอมปฏิบัติไปบ่อยๆมันจะหยางลงสู่กนมบึง้งจิตใจแล้วเหมือนแมลงบุมที่มันทำรังแมลงบุมชักใยญยเสร็จมันก็มาอยู่ตรงกลางพอสัตว์อะไรมาติดทิดเหนือทิดใต้ใ ย, ยมันสั่นมันก็ไอ้แมลงบุมก็จะไปจับสัตว์มากินฉันใดเวลาเรากระทบอารมณ์ทางตาหูจหมูกลิงกายใจพอความคิดเกิดขึ้นเจปัญญาาณตัวนี้มันเห็นปั๊บความคิดจะดับความคิดจะหยุด เราจะใช้เราจะเราจะฝึกให้เกิดปัญญายานตัวนี้มาเป็นพื้นฐานของการทำงานในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถฝึกได้เนี่ยโยมเราดำเนินชีวิตด้วยอริมัคมีองแปดเห็นไหมอริมัคมีองแปดเริ่มต้นด้วยอะไรสัมมาทิฏฐินี่แหละตัวนี้แหละคือปัญญายานสัมมาทิฏฐิหรือปัญญายานตัวนี้เป็นองค์ธรรมแรกหรือเป็นพื้นฐานของจิตใจเราเลย ไม่ว่าเจะคิดสัมมาสังกปาพูดสัมมาวาจาการกระทสำสัมมากรรมันตะประกอบอาชีพงานสัมมาอาชีวะเห็นไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญามีสติมีสมาธิมีความเพียรประสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาเ็าเรียกว่าการดำเนินชีวิตพรมจันท์หรือดำเนินชีวิตด้วยอรอยิมัคมีองแปด ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิตัวเดียวถ้ายมมีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญายาณเป็นพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำประกอบอาชีพกันเราต้องคิดต้องพูดต้องทําจนตายใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่คิดที่พูดที่ทํำเนี่ยเห็นจะตัวว่างนี่ด้วยแต่ก่อนนี้หลวงพ่อปฏิบัติมา23 24ปีหลวงพ่อก็นเน้นให้เห็น ให้เห็นจิตใจที่มันว่างเป็นฐานให้เห็นจิตใจที่มันว่างเป็นฐานหลวก็ฝึกไปสิบปียี่สิบปีเห็นเป็นฐานจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรเห็นฐานตรงเนี้ยคิดพูดทําประกอบว่าที่เดินยืดเห็นไอ้ตัวนี้เป็นฐานอยู่เลยก้นบึงใจเนี่ยเหมือนเหมือนก้นลําทานเนี่ยสงบนิ่งเฉยผิวหนังลําทานมีอะไรต่ออะไรลอยอยู่เต็มเลยไหลไป เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายมันรับโ้อยู่แต่จิตใจสงบนิ่งเฉยโดยที่เราไม่ต้องไปดูมันนะตอนใหม่ๆเนี่ยนึกขึ้นมาได้ชำเลืองมองนึกขึ้นมาได้ชำเลืองมองนึกได้ตอนเดินชำเลืองมองนึกได้ตอนยืนชำเรืองมองนึกได้ตอนนั่งนึกได้ตอนทำอะไรใดชำเลืองมองทุกครั้งที่เราชำเลืองมองความคิดมันจะหายไปจิตมันจะว่างกระเดียวนึงชั่วครู่หนึ่ง ในขณะที่จิตไม่มีความคิดเนี่ยมันจะรับรู้ต่างไปจากเดิมไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีผู้รู้นี่หลวพ่อทบทวนให้คนที่ไม่ได้ฟังคราวที่แล้วอ่นะนยโยมลงนั่งตัวตรงๆนะเดี๋ยวฟังต่อยังไม่ได้ขึ้นตอนที่สองเลยนะั่นทบทวนตอนแรกให้โยมฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยโยมจะต้องไปพ้นจิตสามัญดำเนึกให้ได้ถ้ายังอยู่ในมิติจิตสามัญดำเนึกปัญญายานที่จะยังรู้ความจริงมังนเกิดไม่ได้ ถ้ายมยังไปพิจารณายังมีรูปยังมีนม้ำยังมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้อยู่นี่แสดงว่ายังอยู่ในมิติจิตสามัญจนึกที่ใช้เพียงปัญญาะระดับเหตุผลปัญญาที่จะยังรู้ความจิงคืนะยังไม่เห็นหนทางไม่ต้องไปพูดเลยโศลากีิธานาคาพะอรหันไม่ต้องพูดยังละตัวตนไม่ได้สักสักตัวเลยนี่คือจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อพูดว่าไม่ว่าจะเดินยืนนังน่งนอนนึกก็ได้ตอนไหน ชำเรืองนะใช้คําว่าชาเรืองอย่าไปจ้องจ้องมันหยุดเหมือนกันนะแต่มันจะรู้สึกอึดอัดมีผู้รู้ขึ้นมาทันทีเลยฮะอยอมานั่งตัวตรงๆนะไม่ต้องหลับตาแล้วลืมตาหลับตามันก็เดินไปชนอะไรตอนไหลืมตายอยู่คนที่ยังไม่เคยให้ลองให้ใจยาวๆให้ใจลึกๆอันนี้เป็นเพียงอุบายเท่านั้นเองตอนเด็กๆจำได้ไมเวลาเราไปสอบอะไรมันประม่า ครูเขบอกให้ใจเยาๆให้ใจเยาพอให้ใจยาๆมันก็หยุดคิดประมาะหายไปเลยเนี่ยพอเราให้ใจยาๆเนี่ยโย ม, มให้ใจเยาๆแล้วดูซิมันคิดอะไรไหมโ ย, ยมจะเห็นเลยว่าใจมันไม่มีความคิดเลยโยมไม่เห็นมันละความคิดเน่ะให้ดูยังไงก็ไม่เห็นพอมันคิดไปแล้วโยมก็มาใช้ความคิดอีกขบวนเห็นมันเกิดเห็นมันดับ ที่เราลงความเห็นเนี่ยความคิดชุดแรกยมไม่เห็นมันดับไปแล้วใช่ไหมใช้ความคิดไปไล่ตามความคิดไปพิจารณาความคิดแรกแต่ยมลองสังเกตดิจไอ้สภาวะจิตที่มันไม่มีความคิดไว้ตรงนี้ให้ดีนี่คือนิโรธะในอริยสัจข้อที่สามนิโรธะต้องทำให้แจ้ง เห็นให้ชัดเลยโอ้สภาวะที่ไม่มีความคิดเป็นอย่างนี้นะถ้าโยมเห็นตรงนี้แล้วโยมไม่ต้องไปเริ่มเด็กการหายใจยาวๆนะไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหายใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องการหายใจนึกขึ้นได้ตอนไหนชํเลืองดูความคิดหายไปชั่วครู่การรับรู้ชนิดใหม่เกิดขึ้นรับรู้เฉยๆเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆเนี่ยฝึกอย่างเนี้ไปสักพักหนึงโยมในขณะที่ใจมันว่างเนี่ย มันจะมีปัญญาอย่างรู้ความจริงแต่โยมยังไม่ยังไม่รู้จักปัญญาตัวนี้ยังไม่รู้จักการอย่างรู้ยังไม่รู้จักการตระหนักรูก้เนี่ยใครอ่านหนังสือโอโชกันโอโชโอโชก็บอกการดารงชีวิตอย่างมีค่าก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างตรหนักรูก้เนี่ยรู้โดยปัญญายานนี่นะ แล้วมันรู้ไงตัวเนี้ยมันรู้เฉยๆมันยังรู้อ่ะมันรู้เฉยๆไม่ได้ลงความเห็นเลยไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีถูกไม่มีผิดนี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไปพ้นจิตสามัญํานึงเนี่ยเข้าสู่มิติของความจริงแล้วถ้าใครเห็นจิตที่มันว่างแล้วเห็นเฉยๆดีเฉย เ, เ, เป็นพายญาแล้วเข้าถึงมิติของความจริงโอ้สิ่งที่เราเห็นทั้งตานี่ชื่อก็ไม่มีเนี่ยเป็นการเพิกถอนสมมุติการชำระลืองดูจิตใจแล้วเห็นความว่าง ให้ตัวจิตที่มันว่างเนี่ยรเรียกจิตประภรัสสรจิตเดิมแล้วเป็นไงบ้างการรับรู้ในขณะนั้นจะไม่มีการรับรู้อย่างแบ่งแยกเราก็บสรรพสิส่ง ต, ต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือนี่คือความเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาภาษารีบุตรโตวาทีกับนางคุณทนเกษีถามนางคุณทนเกษีว่าอะไรคือความเป็นหนึ่ง ภาษาลิบุตรต้องการจะรู้ว่านางกุณฑลเกษีได้ดวงตาเห็นทำไหมอย่างเห็นความจริงหรือย่างนางกุณฑลเกษีตอบไม่ได้ไม่รู้จักการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกเพราะฉะนั้นวิถีของการปฏิบัติก็คือวิถีของความเป็นหนึ่งนี่เนี่ยมหาญาณเขาใช้วิธีนี้เลยเป็นวิถีของโพธิสัตว์เป็นวิถีของการดําเนินชีวิตของโพธิสัตว์ในเทรวาตแล้วล่ะ ใช้คำว่าเอกายนามโคสติปัฏฐานสีเนี่ยคือวิถีของเอกายนามโคคือมรรควิถีของความเป็นหนึ่งที่จะทำให้สัตตานังสัตว์เข้าถึงความบริสุทธิ์ยมเห็นแล้วนะสังเกตจิตใจแล้วเห็นแล้วนะเนี่ยพอยมเห็นตอนนี้ โยมก็ปฏิบัติอยู่วกับการงานในชีวิตประจําวันนี่แหละไม่มีรูปแบบเอาการงานที่โยมทําอยู่ในชีวิตประจำวันเดี๋ยก็เดินเดี๋ยก็ยืนเดี๋ก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนึกขึ้นได้สติเกิดเมื่อไหรชำเลืองดูจิตใจความคิดหายไปใจเราว่างโยมทำอย่างนี้บ่อยๆเจ้าตัวว่างนี่มันจะมีพลังถ้ามันมีพลังเมื่อไหร่เราเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริง จะเป็นฐานให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงเพราะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีคือสิ่งเดียวกันคือสิ่งเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกกันไม่ใช่รักษาศีลห้ามานั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วไปคิดเอาศีลสมาธิปัญญานะั้นไม่ใช่ศีลตัวนี้คือความเป็นปกติจิตศีลตัวนี้คือศีลสิกขาสิกขาคือศึกษา ศีลที่เกิดจากการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวเองทุกสิ่งเริ่มจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นน้นนาใจเป็นนายทุกสิ่งสำเห็จที่ใจเพราะนั้นการเรียนรู้ตัวเองก็เริ่มจากเรียนรู้ใจเราก่อน <L un ique> เพราะก่อนเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยมาจากความคิดคิดดีแล้วก็พูดดีคิดไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีถ้าเราเห็นมันคิดไม่ดีเราก็หยุดคิดดีแล้วก็ทา เริ่มจากการเรียนรู้แล้วเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาสมาธิจะเริ่มเกิดเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่สมาธิเกิดเมื่อกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเฉยไม่ปรุงแต่งวันหนึ่งหลวงพ่อปฏิบัติมายากสักประมาณหกปีหลวงพ่อเดินเดินหลังจากกับบิฑบาตถนนมันดินมันลื่นค่อยๆ ย, ย่องเดินไอ้งูจงอางเนี่ยมันเลื้อยมาทั้งหน้าหลวงพ่อเลย แลบลินแปรบหลวงพอกระชักเท้ากลับยืนเฉยไม่กลัวเลยไม่ตกใจหลวงพอโอ้ไอนี่เองคือสมาธิไม่กลัวไม่ตกใจแล้วงูจงอามันก็เลื้อยผ่านไปเรารอให้มันเลื้อยผ่านไปนานเลยเวลาถึงเดินสมาธิเมือ่อจิตกระบวนการความคิดนิวรณห้า คามชันทะพยาบาททินม่ได้ามชันทะก็คือความยินดีพอใจความไม่พอใจจิตที่หลีจิตที่ง่วงเหงาซึมเศร้าจิตที่ฟุ้งซา่งานความสงสัยตราบใดที่ยมยังไม่อินไลต์เต้นยังไม่ประจักษ์แจ้งความจริงเนี่ยความสงสัยไม่มีทางที่จะสิ้นสุดลงได้พอเยอพอโยอมเริ่ม อย่างรู้ความจริงเนี่ยความสงสัยมันจะเริ่มหายไปแหละไม่สงสัยอะไรแล้วนิวรณ์ทั้งนิวรณ์ห้าอันก็น้อยลงใจเราก็ว่างมากขึ้นใจว่างตรงเนี้ยปัญญาเริ่มทํางานปัญญายานนะไม่ใช่ปัญญาที่มาจากความรู้ที่เราจดจําไว้ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากความคิดตัวอย่างรู้เนี่ยมันมาจากจิตที่ตั้งมัน่นสมาหิตโตยถาภูตังประชาเมื่อจิตตั้งมัน่น ย่อมอย่างรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงปัญญา่างก็คือขั้นตอนที่สองของหลวงพ่อก็คือจุดเริ่มต้นรู้ในความไม่แบ่งแยกรู้ในความเป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่เราหันมาสังเกตแล้วความคิดหายไปรู้อย่างไม่แบ่งแยกรู้ในความเป็นหนึ่งเราก็สับสิ่งต่างๆเป็นหนึ่งเดียวกันเฮกายนามโคโก จุดที่สองหลังจากเราปฏิบัติอย่างเนี้ยเดินยืนนั่งนอนทําอะไรต่ออะไรใจมันมีพลังมากขึ้นว่างมากขึ้นอยู่กับความว่างมากขึ้นมันจะมียานอย่างรู้สิ่งต่างๆเจ้ายานตัวเนี้โยมเมื่อมันอย่างลงสู่ก้นบึง้งจิตใจเชิงปินฐานนั่นเองยิ่งพลังของสมาธิมั่นคงเท่าไหร่เนี่ยมันจะแผ่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งเลยตัวรู้ตัวนี้ยแต่ก่อนเรารู้ทีละทางใช่ไหม ทางตาทางใจจะดูทางหูทางใจจะฟังจิตสามัญํานึกเนี่ยมันรู้ได้ทีละทางแต่จิตเหนือสํานึกจิตที่เข้าถึงมิติของความจริงเนี่ยแต่ตัวปัญญายาณเนี่ยมันจะรู้พร้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทั้งใจโดยเฉพาะที่ใจเนี่ยมันจะอยู่เป็นฐานเลยพอมาถึงระดับนี้โยไม่ต้องดูแล้วเข้าถึงความเป็นเองเป็นเองเป็นไง เมืเ่อเราขี่จักรยานเป็นเนยขึ้นไปไม่ต้องไปรู้เฮือขับรถเป็นเนี่ยไม่ต้องไปคํานึงถึงเกียร์ถึงคลัตช์ถึงอะไรอะไรขึ้นไปมือเท้ามันทําหน้าที่เพราะเป็นเข้าถึงความเป็นเองแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแหละเป็นวิถีธรรมชาติวิถีงธรรมชาติก็คือวิถีของความเป็นหนึ่งเียสรรพสิ่งเนี่ยเป็นเอกภาพเดียวกันและไอตัวรู้เนี่ยมันจะรู้ในความเป็นทั้งหมด ลูกศิษย์ถามอาจารย์อาจารย์อะไรคือความมาชั่นของชีวิตเราอาจารย์ตอบว่าข้าดำรงอยู่ในความเป็นทั้งหมดข้าดำรงอยู่ในความเป็นทั้งหมดของชีวิตการตระหนักรูก้ความทั้งความเป็นทั้งหมดของชีวิตก็คือชีวิตที่สมบูรณ์หรือชีวิตบูรณาการหรือชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยสิ่งนี้มีอยู่แล้ว เป็นเพราะเราไม่สามารถจะไปพ้นจิตสามัญจำนึกที่รับรู้อย่างแบ่งแยกเราไปตั้งชื่อมันก็เกิดสปปรรพสิ่งมีตัวเราเป็นศูนย์กลางเไว้ไอตัวเรานี่แหละคืออุปสรรคไม่ใช่ไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับเลยสรุปว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่มีตัวตนไม่มีตัวตนมันยังเป็นความเห็นที่ผิดไปจากความจริงความจริงไม่ใช่มันไม่มีตัวตน ความจริงมันไปพน้นมีและไม่มีคือไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีหรือมันไม่มีคิจสามันจำนึกแล้วโยมผีมีไหมผีมีไหมบางคนเคยเห็นบอกมีไอ้คนไม่เคยเห็นบอกไม่มีมันมีสองทางนะสองคำตอบนะมีก็ไม่มีมันไม่น่าจะมีคำตอบที่สามเลยแต่ถ้โยมเข้าถึงมิติของความจริงเนี่ย มันจะมีคําตอบที่สามโอ้ทุกสิ่งนี่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามันมีหรือมันไม่มีผีไม่อาจจะกล่าวว่ามันมีหรือมันไม่มีเนี่ยมีทางที่สามขึ้นมาแล้วถ้ามันมีมันก็มีเหตุมีปัจจัยถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่มีนี่คือปัญญาที่พระเจ้าท่งคนพบไม่มีในาศาสนาอื่น าศาสนาอื่นก็ใช้ศรัทธาสัจจาในพระอลรหันต์ศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้ามีในทุกสิ่งพระเจ้าจริงๆก็คือสัจจะขั้นอันติมะสัจจะความจริงขั้นสูงสุดที่มีอยู่ในทุกสิ่งนี่แต่ก่อนนี้หลวงพ่อเ น, นเน้นเน้นตัวที่เห็นจิตเป็นพื้นฐานก่อนเน้นอยู่ชักยี่สิบปีเมื่อสองวันหลวงพ่อไปวัดวัดหนึ่งวัดสว่าง วัดสว่างบุญใครรู้จักวัดสว่างบุญอาจารย์สมชายอยู่ที่แก่งคอยหูที่นั้นท่านสร้างเป็นวัตถุที่มีพลังมีอำนาจถ้าใครจิตละเอียดอ่อนถ้าใครจิตละเอียดอ่อนเข้าไปที่นั้นจะสัมผัสกับพลังบริสุทธิ์ตรงนี้นั่นหลวงพ่อสัมผัสพลังตรงนี้กลับมาความคิดหายไปเลยสองวันไม่ ไม่มีความคิดเลยวันหลังโยมลงไปดูในะที่วัดเนี่ยโอ้โหแต่หลวงพ่อไปไม่เจอท่านอาจารย์แล้วท่านไปอินเดียวสวันจะชวนโยมไปแต่พอโยมเข้าไปวัดโยมจะต้องทําจิตให้ว่างอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพอจิตว่างเนี่ยโยมจะสื่อสัมผัสกับพลังที่บริสุทธิ์มีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้ง พันกว่าปีมาแล้วพุทธลูกต่างๆหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ตอนนี้ไม่ได้เน้นเรื่องฐานจิตแล้วแต่มันรู้แต่เจ้าตัวรู้เนี่ยมันขยายครอบคลุมทุกสิ่งเลยโอ้ไอตัวรู้ตัวนี้นี่แต่ก่อนหลวงพ่อรู้ที่ใจมากกว่ามากกว่าที่จะไปรู้พร้อมทางตาหูจมูกลิ้นกาย รู้ยังไม่มีขอบเขตจำกัดรู้ในความเป็นทั้งหมดรู้ในความเป็นองค์รวมนี่คือตอนที่สองที่หลวงพ่อตั้งใจจะพูดนายโยมฟังวันนี้เนี่ยโยมไปปฏิบัติให้ได้ตอนที่สองในสองเดือนนี้นะในสองเดือนถึงพ่อจะมาพูดอีกประมาณเมษาพฤษภาพฤษภา เมื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วก็ลงมาอยู่สูงสุดสูสามันสูงสุดสูสามันยังไงอพูดไปก็เป็นเพียงความรู้่ยมสมัมผัสไม่ได้ยอมต้องเอาที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไปทําก่อนมีเทวดาองค์หนึ่งถามพรุทธเจ้าว่าพระองค์ปฏิบัติยังไงจึงข้ามโอค่าสงสารได้โอค่าสงสารก็คือห่วงกิเลสตัณหาต่างๆนี่ไนงะ ทำไงจะข้าไม่พนี้ไปได้พระเจ้าก็บอกเราปฏิบัติในขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนยังไม่พักไม่เพียรถ้าเราพักกระจมถ้าเราเพียรกันลอยเคยได้ยินพระสูตรนี้ไห ม, มพระสูตรนี้อยู่ในเล่มพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าคนไม่เข้าใจน้อยคนที่จะเข้าใจพระสูตรนี้พระเจ้าปฏิบัติในอริบบ ท, ทั้งสี่ยังไม่พักไม่เพียรไม่จมไม่ลอย เป็นยังไงปฏิบัติไม่พักไม่พักนั่งสมาธิทั้งคืนเดินจงกรมทั้งคืนเลยไงแล้วบอกไม่เพียรเอาไม่เพียรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เข้าใจคำว่าพักเพียรจมลอยสูงต่ำดำขาวยาวสั้นเนี่ยมันเคอจากความคิดนี่คือทวิภวะหรือปัญญาระดับเหตุผลพระเจ้าปฏิบัติในทุกขณะทุกอริยบทไม่ว่าจะเดินยนั้นอย่างไม่พักไม่เพียร ยังไม่มีการลงความเห็นว่ามันมีพักมีเพียนมีจมมีลอยมีสูงมีต่ำนั่นก็คือจิตว่างนั่นเองเดินพระองค์ก็จิตว่างยืนก็จิตว่างนั่งก็จิตว่างนอนก็จิตว่างทำยังไงจิตมันจะว่างได้โยมทำยังไงจิตมันจะว่างฟังมาสองวันเลยทำยังไงจิตจะว่างโย่ เอ่าคอยชำเลืองดูมันทุกครั้งที่เราชำเลืงเนี่ยความคิดมันจหายไปเลยนั่นแหละยอมจะเห็นความมาจัดการแต่ก่อนเราอยากให้จิตมันไม่คิดบังคับให้มันไปรู้อยู่กับลมหายใจบังคับให้รู้อยู่ลูกแก้วใช่ไหมบังคับมากๆก็สงบแต่มันไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริงเพราะความสงบมันไปสงบในภวังสงบมากๆประสาทตาหูจมูกนิ้วกายไม่รับรู้ไม่ทําหน้าที่เลยมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ได้ โยมนั่งสองชั่วโมงโยมไม่มีกิเลสตัณหาสองชั่วโมงแต่พอออกมาก็เหมือนเดิมคล้ายๆเอาหินไปทับหญ้าว่าหญ้าไม่หญ้าไม่งอกหญ้าไม่เจริญเราไปกดข่มไว้แต่ถ้าโยมหนมันสังเกตแล้วใจมันว่างไม่ว่าใครจะดา่าโยมในขณะนั้นโยมจะเฉยได้ <c oughs> ถ้าโยมสังเกตเนี่ยความคิดมันจะไม่มีเลยแต่อย่าไปจ้องนะโยมต้อง โยมต้องหาความพอดีระหว่างชำเลืองกับจ้องมันต่างกันยังไงถ้าจ้องมันจะมีตัวตนมันจะมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้ขึ้นมาทันทีและจะรู้สึก อ, อึดอัดถ้ามีตัวตนมันจะรู้สึกอึดอัดเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วเครียดคนปฏิบัติจริงๆตามงทีเพี้ยนเลยเพราะเราไปบังคับไม่ให้จิตมันคิดเนี่ยแต่เราไปสร้างสิ่งที่ถูกรูก้สร้างผู้รู้ ไอสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เนี่ยปกติวันๆเนี่ยมันมีไม่เท่าไรหรอกเพราะใจเรามันว่างอยู่เราถึงดำรงชีวิตอยู่ได้ห้าสิบหกสิบเ็ดสิบปสิบปีเนี่ยเพราะความว่างนี่แหละมันรักษาชีวิตเราอยู่แต่เราไม่รู้ตัวเราไปเที่ยวน้าตกไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลเรามีความสุขความสุขตรงนั้นมาจากไหนโยไม่รู้หรอกมาจากใจที่มันว่าง เราสดชื่นมีความสุขนั่นแหะใจมันว่างล้วก็คิดว่าทะเลภูเขาน้ำตกทําให้เรามีความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขจริงๆมันมาจากใจที่มันว่างเนี่ยนัตถิสันติพลังสุขขังอยู่ตรงนี้เองสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในทัศนะนี้หรือแนวทางนี้ต้องจริงชังนะโยมต้องศรัทธาต้องมีศรัทธาในตัวเองศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นตัวเอง ศรัทธานในคําสอนของพุทธเจ้าที่หลวงพ่ อ, อามาพูดเนี่ยไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้เมคขึ้นมาเองหรือเอาม า, าเป็นคําสอนของหลวงพ่อเองไม่ใช่หลวงพ่อเอามาจากวัดไต่ปิดกนั้นแต่มันเป็นของเถรวาทไม่ใช่ในแนวของอริยธรรมแนวของอริยธรรมส่วนมากพิจารณาตจลักษลูบนามเห็นความเกิดความดับสรุปว่ามันไม่มีตัวตนซึ่งหลวงพ่อมองว่ามันยังเป็นเรื่องของความคิด ถ้าโยมยังใช้กระบวนการความคิดเนี่ยโยมจะไม่มีฐานที่จะทําให้เกิดปัญญาญานเลยโยมจะไม่รู้จักฐานของปัญญายาณและโยมจะไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิโยมจะไม่รู้จักการดําเนินชีวิตโดยอริมักมีองค์แปดเลยโพธิปัจจัยธรรมสามจิิตประการก็เริ่มโดยสติปัฏฐานสี่เริ่มโดยสติแต่สุดท้ายผลอริมักมีองค์แปดมันไปลงที่ปัญญา ปัญญาจะเป็นตัวนำสมาทิจะเป็นตัวนำการพูดการคิดการกระทาจะเป็นตัวนำสติไปอยู่ห้องหลังเลยสมาทิสมาศงกษาสมาวาจาสมากรรมนตาสมาอภิวาสมาวิริยะสติสมาที่อยู่ห้งหลังเห็นไหมทำไมเ็าเอาสติมาเริ่มแรกสติไม่ใช่ตัวรู้สติไม่ใช่ตัวอย่างรู้ความจริงสติเป็นเพียงช่วย ให้ระ ล, ลึกขึ้นได้นึกขึ้นได้เกิดการกระทาที่จะทาให้เกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะไม่มีในจิตสามัญจำานึกสัมปชัญญะเริ่มที่จิตว่างจิตไม่มีความคิดจิตไม่มีตัวตนแล้วพอนึกขึ้นได้ําเลืองดูจิตใจความคิดหายไป เจสติเจ้ตัวระลึกได้ก็ทํางานร่วมกับสัมปชัญญะที่มันรู้พร้อมโยมลองไปปฏิบัติดูนะโยมชำระล้งจิตใจแล้วเห็นมันว่างเนี่ยแล้วยอมลงเดินโยมลองทอะไรต่ออะไรบ้เคลื่อนไหวโยมจะรู้พร้อมเลยโดยไม่ต้องกําหนดไม่ต้องไปกําหนดอะไรเลยไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนทําอะไรตอนไรโยมจะรู้พร้อมไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยเขาเรียกสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อม แต่ที่เรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวใกล้ไกลใหญ่นี่ ร, รู้ด้วยประสาทรู้ด้วยประสาทกายประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกเร้่จิตสามารถจํานึกมันรู้ได้ทีละทางก็คือรู้ได้ทีละประสาทตั้งใจจะดูท้งอื่นไหมทางกายจะฟังรู้ทั้งหูแต่พอ ปัญญายานเกิดมันจะรู้พร้อมยังรู้พร้อมทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายรูปรสกลิ่นเชื้อสมบัตใจเรารู้พร้อมหมดเลยโยมโอู้ปัญญาตัวนี้มีมหาจรย์จริงและในขณะที่มันรู้เนี่ยตัวตนเราก็ไม่มีเมื่อไม่มีตัวตนของตนมันก็ไม่มีที่เราไปยึดถืออะไรต่างๆมันก็ไม่มีเนี่ยเพราะนั้นวิธีขจัดตัวตนหรือเข้าถึงความเป็นอ น, นัตตา ก็คือเข้าถึงสัจจะอันติมสัจจะหรือความว่างนั่นเองสุญญาตานิโรธะและการปฏิบัติอย่างนี้นะเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนะี่ยมันจะยิ่งมั่นคงขึ้นเหมือนกับเดินลงมหาสมุทรเดินลงทะเลลุ่มลึกขึ้นเรื่อยไม่มีถอยหลังไปอยู่บนตะลิ่งแล้วไม่มีที่เจโยมจะไม่รู้จิตอีกแล้วไม่มีแล้วมีแต่จะรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นตัวนี้แหละจะเป็นฐาน แล้วสิ่งนี้ย่อมน่าดีใจที่พระเจ้าพูดว่ามีอยู่แล้วในคนเราทุกคนวชระยานทางทิเบตข้าเอาตรงนี้แหละเป็นไอดอนเป็นประเด็นนั้นเขาเลยโอมนีปัตเมหูมมหายานสุขาวาดีเจ้าแม่คนอิมเนี่ยคือหัวใจของเจ้าแม่คนอิมโอมแปะเมหูม อมมณีแปะเมหูมก็คือโอมมณีปัตถเมหูมเรามีเพชรมณีอยู่ในมือแล้วเรามีเพชรมณีอยู่ในมือแล้วเพชรมณี น, น, นั้นก็คือจิตประพัสสอนจิตที่ว่างของเรานี่เองเพราะฉะนั้นจิตที่ว่างจิตประพัสสอนนี่แหละคือประตูที่จะทําให้เราเข้าถึงสัจจะเราเข้าถึงสัจจะไม่ได้ด้วยประสาทตาหูจมูกลิก้นขา แเ้าก็ถึงสัจจะไม่ได้โดยความคิดเราเข้าถึงประสัจจด้วยได้โดยความรู้แต่เมื่อใดที่โยมเห็นจิตพระพัฒน์สอนจิตที่ว่านั่นแหละจิตที่ว่างเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับสัจจะสูงสุดเราก็เข้าถึงสัจจะพอเข้าถึงสัจจะตัวตนก็หายไปโยมไม่ต้องไปใช้ความคิดพิจารณาตายงงใจลักเลยไม่ต้องเลยขณะที่เข้าถึงความว่างเนี่ยตัวตนไม่มีแล้ว เพราการถ่ายโทษ ธ, ธรรมะของเทรวาสกับของมหายานเขาต่างกันตรงที่ว่าหลังจากพุเจ้าตรัสรู้ในที่ประชุมนั้นก็มีคนถามขึ้นมาคนนึ่ขอร้องให้พระองค์แสดงธรรมที่สูงสุดให้ฟังหน่อยพรเจ้าก็ชูดอกไม้ขึ้นมนดอกไม่พูดอะไรเลยในที่ประชุมนั้นไม่มีใครเข้าใจเลยพระเจ้าไม่ได้จัดใจเลย เหลียวไปเห็นพระมหากัศปะยิ้มน้อยๆกัศปะธรรมะที่เราได้จัดสรุ ด, ดีแล้วเนี่ยเราได้มอบให้เธอนะไม่ได้พูดเลย <c oughs> นี่เขาถ่ายทอดสภาวะของ Enlighten ในขณะที่ท่านกำลังเข้าถึงสภาวะของความจริงเนี่ยคือ Enlighten พระมหากัศปะก็ Enlighten ในขณะนั้นด้วยเหมือนกัน จึงเป็นการถ่ายทอดจากจิตของพระพุทธองค์ไปสู่จิตของพระมาหากัสสปะและก็สืบสารต่อกัอนมาในเรื่องของจิตหนึ่งเดิมแท้จิตว่างตรงนี้แต่เทราวาดเราไม่ได้เน้นเรื่องจิตประพัสสอนเทรวาดเราไม่ได้เน้นการไปพ้นจิตสการไปพ้นทวิภาวะยงวังรู้จักทวิภาวะทวิแปลว่าคู่ภาวะที่เป็นของคู่คู่เนี่ย นั่นแหีคือปัญญาระดับเหตุผลหลังจากเรารับรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วเราลงความเห็นจุ้งตํำดําขาวยาวสั้นเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่คือปัญญาระดับเหตุผลนี่คือมิติของจิตสามัญํำนึกถ้าเรายังอยู่ในมิตินี้ปัญญาที่จะยังรู้ความจริงก็ขึ้นไม่ได้ปัญญาที่จะยังรู้ความจริง ที่มันจะเกิดได้ต้องไปพ้นจิตฉามันจำานึกไปพ้นทวิภาวะไปพ้นเหตุผลไปพ้นการเวลาเนอากาลิโกโยมเคยสวดใช่ไมเมื่อกี้ก็สวดอากาลิโกเป็นไงอากาลิโกให้มารู้อยู่กับปัจจุบันให้มารู้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเป็นเวลาไหม ปัจจุบันเป็นเวลาปะฮะไม่รู้อีกว่าปัจจุบันเป็นเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคือเส้นตรงของเวลาลเราดำเนินชีวิตอยู่ในเวลาที่เป็นเส้นตรงอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดความคิดเริ่มจากอดีตความจําความคิดเริ่มจากความจำปรุงแต่งในขณะนั้นเรียกว่าปัจจุบันคาดหวังเป็นอนาคตเพราะฉะนั้น อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยคือการเวลาในมิติมอจิตใจมันทำนึกเนี่ยเราดําเนินชีวิตด้วยการเวลาอย่างเนี้ยเราตกเป็นทาสของการเวลาเราไปพ้นการเวลาไม่ได้เราออกจากเวลาไม่ได้เวลาในที่เนียหมายถึงเวลาทางจิตใจวิโชโลจิคอนไทม์เวลาตามเข็มนาฬิกาเนี่เรียกโครโนโลจิคอนไทม์เวลาตามเข็มนาฬิกอันนั้นไม่เกี่ยว แต่เวลาในใจเวลาเรามีความสุขเป็นไงไเวลามันเนียไวเหลือเกินเนี่ยอยู่กับแฟนแต่เที่ยวสว่างแหละเ ว, วลามีทุกเป็นไงแต่ละนาทีมันผ่านนั่นแหละก็เรียกเวลาทางด้านจิตใจอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดล่ะเนี่ยไม่กล้าพูด ไม่มีปัจจุบันด้วยปัจจุบันก็ไม่มีสวาคาธรรมเป็นอาคาลิโกเนี่ยที่เราสวดกันทุกวันเนี่ยฮะแปว่าไม่ไม่มีเวลาไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีนอานาคตสายยังหนอะกว่ายัางหนอะรู้ที่ที่เท้าเนี่เนี่ยเนี่ยนี่คือเวลาปัจจุบันปัจจุบันเวลามันมีในมิติจิตสามัญจำนึกที่มีตัวตน ถ้าไปพ้นจิตสามัญจำนึกตัวตนไม่มีเนี่ยไม่มีการเวลาแล้วไปพ้นการเวลาเพรา ะ, ะนั้นสวรข า, าธรรมเนี่ยไม่มีไม่มีเวลาธรรมะที่เป็นโลคุตรธรรมเนี่ยไม่เวลาไม่มีเวล า, วลาที่เราสวดกันอากาลิโกสันติติโกโอปัญิโกแต่เราเราไม่รู้จักอากาลิโกยังคิดว่าปัจจุบันนี่แหละนี่ยให้มันอยู่ก็ปัจจุบันให้มันอยู่ก็ไปอยู่ก็ปัจจุบันก็ไปพ้นเวลาไม่ได้เฮ้ อยู่ก็ปัจจุบันปัญญาญาณก็เกิดไม่ได้ต้องไม่มีเวลาต้องเป็นอาการลิโกเมื่อใดที่กระบวนการความคิดสิ้นสุดลงนั่นแหละการเวลาก็สิ้นลงสัพสสพสิงก็สินัพพสิงก็สิ้นลงตัวตนก็สิ้นลงเข้าถึงมิติของสุญทยตาเข้าถึงมิติของความว่าง นั่นแหละคือความจริงสูงสุดนั่นแหละคือตัวตนที่แท้ของเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วในคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาเอาสิ่งนี้มาเป็นฐานของการทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยหลวงพ่อกว่าจะเห็นสิ่งนี้ได้เมื่ออายุห้าสิบห้าโยมหลวงพ่อเริ่มศึกษาธรรมะเมื่อประมาณอายุสี่ิบสี่บสองอ่านหนังสือทั้งงาไปวัดโน้นวดันวดนี่สิหาปีก็ไม่รู้เลย ไม่รู้จริงๆไม่ได้แกล้งพูดไม่รู้ไปสํานักน้องกระัดกำหนดเท้าสํานักนี้กําหนดมือสํานักนุ่งกำหนดท้องสานักนี้นกําหนดลูกแก้วกําหนดจะบ้าเครียดตอนหลังเครียดกําหนดไม่ได้เลยพอกําหนดปั๊บจี้ขึ้นสมองเลยนะจี้ขึ้นสมองเลยเนี่ยมันจะบ้าอ <c oughs> ่ะแล้วก็เลยเลิกไม่ทําล้ ยังกระทั้งตายดับหน้าพออายุห้าสิบห้าหลวพอเข้ามาบวชหลวพอบวชได้สิบวันวันที่สิบเอ็ดเดินเดินอยู่เฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้พร้อมอย่างนี้วะเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยเดินเดินอยู่ความคิดไม่มีเลยโยมความคิดหายไปเลยแล้วมันรู้ทําอะไรตัวไรรู้โอ้โหน้ําตาไหลร้ลองไห้ดีใจไม่ได้หามันเจอ ตอนหาไม่เจออู้ดีใจ น, น, นี่แหละไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เราแสวงหามาสิบกว่าปีสักสองชั่วโมงได้หลวงพ่อจำได้ติดหูติดตดดาติดใจจึงหลงพ่อหวังให้เนี่ยไอ้ตัวนี้โยมต้องจําให้แม่นสภาวะที่ไม่มีความคิดเนี่ยเนี่ยนิโรธต้องทําให้แจ้งต้องเห็นมันให้ชัดเลยกิจที่เราจะต้องทําต่อลิยสัสสีมีอะไรบ้างทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้สมุทยัยกระบวนการความคิดที่เกิดจากเนี่ยจะต้องละ เมื่อเรากำหนดรู้มันมันก็ละเข้าถึงไงนิพานิโรธะตัวว่างนี่แหละคือนิโรธะต้องเห็นมันให้ชัดเลยตัวเนี้โอ้ชํำเลืองดูมันบ่อยๆเนี่ยมักเนี่ยจิตเห็นจิตที่รู้งปูดุลว่าจิตเห็นจิตวันนั้นไปคุยกับอาจารย์มนตรีอาจารย์จิตอะไรมันไปเห็นจิตอะไร ตโยมรู้ไหมจิตอะไรไม่เห็นจิตอะไรเคยอ่านหนังสือหลวงพูดุลนะหลวงพูดุลบอกว่าจิตเห็นจิตเนี่ยเป็นมรรคจิตที่โฉงออกนอกเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเห็นให้เกิดทุกข์จิตที่ไม่เห็นจิตให้จิตอะไรไม่ไปเห็นจิตอะไรอืมจิตอะไรไปเห็นจิตอะไร ย๋ยมไม่รู้หนุ่พ่อเดินเดินเอ๊ะทำไมมันว่างไม่มีความคิดเลยแล้วมันรู้เพราะแล้วมันบอกตัวเองเลยว่าเนี่ยคือธรรมะคือสิ่งที่เราแสวงหายอยู่แอนหลังความคิดมันเข้ามา หลวงพ่อก็อยากจะให้มันว่างพยายามทํามันก็ไม่ว่างอลยตอนนี้มันอยากมันเลยไม่ว่างกว่าหลวงพ่อจะมารู้วิธีเนี่ยยาปากคอกแท้ๆยรู้าจักยาปากคอกไหมยมรู้ไหมว่ายาปากคอกมันหมายถึงอะไรไองวควายเนี่ยเขาขังครอกไว้อืม มันก็ขี้มันก็เยว่ใช่ไหมเนี่ยขี้เยวมันจะไปกินข้าวกินอะไรมันก็อยาข้าวมันก็ขึ้นข้างๆเนี่ยพอถึงเวลาแทนที่มันออกมามันจะกินนี่มันมันวิ่งออกไปกินพอกินอิ่มแล้วพอมาเห็นแล้วมันอยากกินแหละกินไม่ลงแล้วนี่ก็เรียกยาปากคอกคุณพ่อคว่าจะรู้ตรงนี้คุณพ่อเปิดปฐยไิโดอุ้ยอ่านปไตปิโดเป็นวักเป็นเวนเลยนะ วิชาพูดไว้ยังไงบ้างวิธีปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อไปเจอไอ้โคไม่ลอ่อนเล็มหญ้านี่แหละโคไม่ลอ่อนเล่มย่าจำเรืองลูลูกน้อยเนี่ยโยมคือวิธีที่จะทําให้กระบวนการความคิดมันสิ้นสุดลงแล้วไปพ้นจิตสามัญจำเนึกอนี่ยใช่ไหมสาคัญนะแล้วมีอยู่แล้วในคนเราทุกคนจิตประพัสสรพอเราจําเรืองความคิดหายไปโอ้เหมือนวันนั้นเลย โอ้โ ห, หดีใจครั้งที่สองดีใจครั้ ง, งที่สองไม่ร้องไงแล้วตอนนี้โอ้โ ห, ห, หดีใจมากเลยคือเราไม่รู้จะไปบอกเขาว่ายังไงมันเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่เราก็ไม่มีวิธีที่จะไปบอกคนอื่นว่าทํำยังไงพระเจ้าพูดว่ายังไงแล้วไปเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่ของอนุพุทธะหรือครูบาอาจารย์ที่อื่นพูดไว้พระเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกเรื่อที่สิบสองเนี่ยโคไม่เลอะอ่อนเลีมยญาติชำระเลีงดูลูกน้อยเนี่ยส่วนมาก ครูบาอาจารย์ไมค่อกเอาตรงนี้มาพูดมีมังกรอาจารย์สุกินเอามาพูดหลวงพ่อได้ยินแต่ถ้าตีความหมายไปอีกอย่างตีความหมายเราปฏิบัติไปด้วยเขมเนื้อดูคนอื่นไปด้วยถ้าเขาปฏิบัติผิดก็ช่วยแนะนำก็แล้วมันจะไปเกิดศีลสมาธิปัญญาได้ไงแต่ทำไมหลวงพ่อหันก็มามองทิตใ จ, ใจทางมหายานเนี่ยหลวงพ่อชอบมหายาน หลวงพ่อชอบมหายาณยมรู้ไหมว่าชื่อหลวงพ่อโพธิันันท์เนี่ยมาจากอะไรไม่ใช่ยอมรู้จักเสถียโรโพธิันันท์เสถียโรโพธนั้นนะท่านเก่งมหายานมากเลยท่านเป็นคลังเป็นตําราตู้ตําราของมหายานเนี่ยเก่งมากแต่ท่าน ท่านตายเมื่ออายุสามสิบห <Yeah. S 1> ้าหลวงพ่อไปก็ยืมชื่อท่านมาใช้ผูดด้นินัน ะ, ะเสถียนผูดด้นินันทะหลวงพ่อเข้าใจธรรมะจากมหายานมากกว่าแล้วหลวงพ่อก็มาแสวงหาเทรวาดอะไรนะอะไรคือเทรวาดแท้เพราะเทรวาดเวลานี้มันถูกอภิธรรมครอบงมหมด โยมไม่รู้จักเทราวาสเลยเทราวาสก็พิธามหนึ่งคนนะคนนั้นน่นนะโยมจะเห็นว่าทุกที่ไปไหนก็พิจนานาม ล, ลูกไตรลักษณ์ทั้งนั้นเทราวาสเนี่ยพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อยกเข้ามาให้พูดเนี่ยในลิยสัสสีเนี่ยครูไม่รู้อ่อนเลีมยญาติชำเลงลูกๆน้องเนี่ยคือวิธีที่จะทำให้กระบวนการความคิดมันสิ้นสุดลงในตัวมันเอง แล้วไปพ้นจิตสามัญทำนึกการแสวงหาหนทางก็คือการหาวิธีที่จะไปพ้นจิตสามัญทำนึกหนทางเนะี่ยมันคือจิตเหนือสำนึกหนทางหรือวิถีทางของการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นมิติอืดจิตเหนือสำนึกจิตที่ไปพ้นความรู้สึกก็มีตัวเราแล้ว เพราะนั้นในโพธิปักกิยธรรมสาิ็ดประการที่เริ่มโดยสติปัฏฐานสี่เนี่ยสติปัฏฐานสี่ตรงนี้นจะต้องไม่มีตัวตนจนทั่งจนกระทั่งถึงอะลีมัคมีองแปดตลอดสายสามสิบเจ็ดองเนี่ยไม่มีตัวตนเลยแต่เวลานิสสติปัฏฐานสี่ที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราปฏิบัติอย่างมีตัวตนตั้งใจจะรู้ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราเห็นตั้งใจจะรู้ลมหายใจอืม ตั้งใจจะรู้ที่เท้าตั้งใจจะรู้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราบอกกายานุปัสนาเราแยกกันหมดเลยกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัตตธรมธรรมารุปัสนาแยกกันหมดเลยแต่สติปัฏฐานสี่จริงๆตัวสติปัฏฐานสี่จริงๆเนี่ยมันจะรู้ทีเดียวพร้อมกันทั้งสี่ฐานตัวรู้ตัวนี้คือสัมปชัญญะ เขาจะสรุปตอนท้ายว่าอาตาปีสติมาสัมปชาญญะวิเนยะโลเกอภิชาโทมานัสสังมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเจ้าสัมปชัญญะคือตัวรู้พร้อมเนี่ยตัวรู้พร้อมมาจากใจที่มันว่างเจ้าสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ได้รู้ทิศทางปัญญาญานเนี่ยมันไม่ได้รู้ทิศทางสัมปชัญญะเนี่ยมันรู้ขั้นต้นเนี่ยรู้พร้อมจะพอก า, ายเราก่อน แต่พอตัวรู้เนี่มันขยายออกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเขาเรียกญาณไม่ใช่รู้เฉพาะในร่างกายแล้วแหละแต่ขยายครอบเขตไม่มีขอบเขตจํากัดเลยเนี่ยเขาเรียกปัญญายาณปรีชาญาณอิริญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยมันจะรู้อย่างไม่แบ่งแยกรู้ในความเป็นทั้งหมดรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นในมิติจิต เหนือสำนึกในมิติงความจริงเนี่ยมันรู้ต่างกับจิตสามัญสำนึกที่มันรู้อย่างแบ่งแยกมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้ปัญญามันมีเพียงระดับความรู้ระดับความคิดเหตุผลแต่พอไปพน้นจิตเหนือสำนึกแล้วไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันจะรู้พร้อมตัวนี้แหละจะเป็นตัวนำจะเป็นหัวขบวนหรือเป็นฐาน ของการคิดการพูดการกระทําประกอบอาชีพการงานในชีวิตประจำวันเราถ้าเราทำได้อย่างนี้การดำเนินชีวิตเราจะไม่มีตัวตนเลยถ้าโยมทำได้หนึ่งสองก็ทำได้สามก็ทำได้ ส, ไดสิบก็ทำได้ยี่สิบห้าโสดาบันห้าสิบสิกธาคามีเจ็ดสิบห้าอานาคามีร้อยเปอร์เซนต์พระอาหารหันต ถ้ายมยอมรับว่าพุทธศาสนาเรามีพระอาหารหันต์ยอมรับถ้ายอมรับว่าในพุทธศาสนามีพระอาารัจะต้องมีผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีตัวตนเลยตลอดเวลาแต่ถ้ายมรู้วิธีถ้ า, ารู้วิธีที่กำจัดตัวตนได้หนึ่งเนี่ยยมจะรู้เลยเฮ้ยถ้ามันเป็นร้อยมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ายมไม่รู้จักวิธีกำจัดตัวตนเลยแม่หนึ่ง สองสามสี่ห้าร้อยก็ไม่รู้จักใช่ไหมแต่เวลานี้โยมรู้จักก็ยางหนึ่งเนี่ยเนีหนึ่งรู้จักอะไรอย่างเฮ้น่าจะรู้จักนะเนี่เพียงโยมหันเข้ามาสังเกตชำรเลืองดูใจเราเนี่ยความคิดหายไปเนี่ยการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกไม่มีสิ่งนี้ถูกรู้ไม่มีผู้รู้เนี่ยเนี่ยหนึ่งแล้วยมมันจัดตัวตนไดน้หนึ่งเนี่ยโยมก็ทําอย่างเนี้ยสองสามสี่ห้าทำได้เรื่อยไป ตัวตวมันจะน้อยลงน้อยลงใจมันจะว่างมากขึ้นจะ ต, ตัวว่างนี่มีพลังกระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นไขแล้วมันเฉยได้เราเริ่มเห็นพลังลนี่คือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นฐานให้เกิดปัญญาญาณมิจฉาสมาธิสงบแต่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญ า, า ญ, ญาณไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงทั้งที่เราไปนั่งสมาธิกันทุกวันเนี่ย ไปสะกดจิตตัวเองไม่ให้มันคิดไปที่อื่นให้มันรู้โยมปฏิบัติจนตายโยมก็จะไม่รู้จักปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงเลยเพราะมันมีสิ่งที่ถูกรูก้มีผู้รู้แต่นี้เราไม่ได้กําหนดอะไรเลยเพียงหันก็มาชำเลืองความคิดหายไปเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆเนี่ยโยมต้องเริ่มตรงนี้นะเลื่อนยืนนังน่งนอนนึกขึ้นได้ถ้านึกไม่ได้นึกไม่ได้ก็ไม่ได้ดูโยมจะดูได้ตอนนึกขึ้นได้เขาต้องเอาสติไว้ครั้งแรกไง บางสำนักเขาเน้นดิสติสติไม่ใช่ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงเขาอาศัยสติเพียงให้มาทํางานคู่กับสัมปชัญญะแค่นั้นเองนึกขึ้นได้เราก็หันมาชำระเรืองนี่แหละอาศัยสติตรงนี้หันมาชำระเรืองแล้วสัมปชัญญะก็เกิดอยาให้สติเนี่ยมันมาทํางานคู่กับธรรมปัญญาถ้าสติมันไปทํางานคู่กับปัญญาระดับความรู้คู่กับปัญญาระดับเหตุผลสัมปชัญญะก็ไม่เกิด รู้พร้อมก็ไม่เกิด น, นี่คือแนวทางที่หลวงพ่อมีประสบการณ์ของการปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีขั้นตอนแรกจุดเริ่มต้นต้องไปพน้นจิตสามัญทำนึกที่รับรู้อย่างแบ่งแยกให้ได้ต้องเห็นลักษณะการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกกันเป็นยังไงขณะที่ใจมันไม่มีความคิดมันเห็นยังไงได้ยินยังไงเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉย ที่พายาบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุยังไงเนี่ยความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการอธิบายของพ่อความเข้าใจที่แท้จริงมามาจากประสบการณ์ตรงต่อความจริงที่โยมกําลังเข้าถึงนั่นแหละความลังเลสงสัยมันจะหายไปเมื่อโยมเข้าถึงสภาวะความจริงโอ้ทุกสิ่งนี้มันเป็นเช่นนี้เองตาตาตาตาตาต า, ต า, ต า, ตาใจรู้ใจเขินนั้นเอง นี่เพิ่งขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองนี่โอ้โหโยมกว่าจะถึงขั้นตอนที่สองเนี่ ย, ยที่หลวงพ่อเว้นให้เดือนหนึ่งเนี่ยก็มันไม่ได้แล้วแต่ว่าพูดนำไว้ว่าหลังจากเรารู้หนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยจะแผ่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งรู้พร้อมรู้ในความเป็นทั้งหมดรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเฮตัวเนี้ยเป็นฐานเลยนะ ตอนใหม่ๆยุนจะต้องเห็นฐานตรงนี้เป็นฐานต่อไปมันจะละเองมันละไปเมื่อวันหลวงพ่อไปวัดมาเมื่ออาทิตย์แล้ววัดสว่างบุญเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไมาได้นเน้นเรื่องการเห็นฐานนะแต่ไอตัวรู้ดิมันขยายออกเองรู้พร้อมทาอะไรต่ออะไรนี่มันรู้พร้อมหมดเลยยังไม่มีขอบเขตจากัดเลยโอ้ไอตัวนี้นี่มันรู้ ขยายไปอีกระดับหนึง่งและความคิดหายไปสองวันไม่คิดเลยเลยจะคิดก็ไม่คิดยอมยอมไปหลังไปเที่ยวนะเขาเรียกวัดสว่างบุญถ้ายังเข้าทางบ้านนาก็ะนั้นข้าบ้านนาพรอีกประมาณสิบเจ็ดกิโลเข้าทาั้งแก่งคอยสลาบุรีวัดสว่างวัดสว่างบุญดังมากเลยมีวัตถุที่มีคุณค่าทางพลังกิต เยอะมากเก่งเก่งคอยพระอาจารย์สมชายฮะมีใครจะถา ม, มอะไรบ้างไหมเอไหนลงยมเดี๋ยวก่อนยมนั่งตัวตรงๆนะ หงพเป็นห่วงอีตรงนี้จุดเริ่มต้นถ้ายมได้หนึ่งสองก็ได้สามก็ได้ถ้าไม่ได้หนึ่งสองก็ไม่ได้สามก็ไม่ได้คนที่ยังไม่เห็นจิตใจตัวเองเลยเนี่ยให้ให้ใหายใจยาวๆลึกๆสักครั้งหนึ่งสองครั้งหายใจลึกๆแล้วสังเกตสัง เ, เกตใจเราอย่าถามนะว่าใจมันอยู่ที่ไหนอพอสังเกตปั๊บยมจะไม่เห็นแล้วความคิดเนี่ยยมจะเห็นใจมันเฉยๆบางๆนั่นแหละยอมทำถูกแล้ว แต่ถ้าคนเห็นจิตที่มันว่างแล้วไม่ต้องหายใจยาวแล้วอย่าเริ่มโดยหายใจยาวอันนั้นเป็นอุบายของพ่อท่า น, นอันมาสังเกตไม่ต้องรับตาไม่ต้องทำเฉลี่ยงดูมันเห็นไหมขณะที่เราเฉลี่ยงดูเนี่ยยมไม่เห็นความคิดหรมันหายไปแล้วขณะที่ความคิดไม่มีเป็ไห น, นมันรับรู้เฉยๆได้ยินเฉยๆสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินยมจะมีความรู้สึกว่า เราก็สิ่งที่เราเห็นเราก็สิ่งที่เรายินเรากับสิ่งที่เรารับรู้ทางประสาทสัมผัสเนี่มันไม่แบ่งแยกกันมันไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางแล้วตอนเนี้การรับรู้อย่างแบ่งแยกไม่มีเนี่ยนี่คือความเป็นหนึ่งในพุทธศาสนาเราจะไปบัตดไปบนวิถีของการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเดินยืนยั่งนอนเราจะเห็นสภาวะของการไม่แบ่งแยกตรงนี้เป็นหนึ่งตนี้ แล้วยมจะทราบซึ้งกับคําสอนของพระพุทธองค์โยมจะเกิดศรัทธาแต่ก่อนเรามีแต่ศรัทธาเชื่อเฉยๆเรายังไม่เห็นสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะ่ะไอ้สภาวะจริงๆนี่มันเป็นอะไรแต่พอยอมเห็นสภาวะจริงๆนี่โยมจะเกิดศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ได้จัดสรู้และถ่ายทอดมาให้เราตั้ง 2,600 ปีแล้วปีนี้อีกเรียกพุทธเันตีเนี่ย หลังจากพุทธเจาตัดฉลูเนี่ย 2,600 ปีเลยโยมสิ่งนั้นยังตำรงอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราต ถ, ถาคตถ้าเห็นสิ่งนี้โยมก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธองค์คือจิตขององค์ที่เข้าถึงสิ่งนี้เมื่อวันวิสาขาบูชาสิ่งนี้แหละถ้าโยมเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ถอยหลังไปสู่ความไม่รู้อีกไม่มีแล้วเพราะนั้นต้องเห็นตรงนี้ให้ได้เห็นใจมันว่างเจยขณะที่ไม่มีความคิดเป็นไงเบาสบาย เนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นนะนี่คือจุดเริ่มต้นโยมจะเห็นความมหาจัรันของชีวิตของโลกเราปรากฏการต่างๆเนี่ยถ้าจิตทังโยมว่างจากตัวตนนะโยมจะเข้าถึงบทกวีของชีวิตแม้เดินตากฝนบินทบาทก็อู้มันมีความสุขชีวิตมันเป็นบทกวีจริงๆชีวิตมันมีความมหาจัรัจริงๆแต่เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการความคิด ที่เกิดจากความยึดถือเราละวางความยึดถือไม่ได้ให้โยมคิดดียังไงก็ละวางความคิดถือไม่นด้ความยึดถือไม่ได้โยมไปบอกว่ามันไม่มีตัวตนยังไงยังไงคนคิดนะ่ะมันก็มีตัวตนไอคนคิดที่บอกว่าไม่มีนั่นแหละมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เมื่อใดที่โยมเห็นจิตมันว่างนั่นแหละมันไปพ้นไม่มีแล้วนะไปพ้นมีพ้นไม่มีแล้ว เราจะเข้าถึงสภาวะที่ไปพ้นมีและไม่มีเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงตรงนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมเนยโยมมีตาเพื่อขึ้มาอดวงแล้วอิทนาฝากเยอ่าโยมมีความสงสัยไหมคนที่มาฟังวันนี้เป็นครั้งแรกโยมสงสัยอะไรไหม เ, ออเราต้องคิดต้องพูดต้องกระทำทางกายเนี่ยจนตายไม่ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันไม่คิดเลยไม่ได้ใช้ความคิดเลยเราคิดแต่คิดอยู่บนคิดอยู่บนพื้นฐานการเห็นตัวว่างด้วยไอ้ตัวว่างตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานจัจจะตรงนี้จะเป็นพื้นฐานถ้าเห็นตัวว่างตรงนี้มาเไยแสดงว่ามันมีปัญญายานเป็นพื้นฐานเราจะคิดพูดทา บนพื้นฐานของปัญญาที่อย่างรู้ความจริงการงานที่ทําออกมามันจะเป็นกิจกรรมที่แท้จริงเนี่ยการงานที่แท้นี่คือความเป็นศิล ป, ปะนะเวลาเขาเขียนหู้นะเวลาเขาเขียนหู้เนะี่ยโยมหูนั้นจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อจิตว่างนะเมื่อคนเขียนจิตว่างนะหูจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนเขียนหูนั้นจิตว่าง เพราะในขณะที่เราแสดงทา ง, คคงกายควจิกรรมมโนกรรมเนี่ยทํางานทําการอยู่เนี่ยเห็นจิตที่เป็นพื้นฐานนี่ว่างด้วยเนี่ยนั่นแหละศิลปะเป็นการงานที่แท้จริงเป็นศิลปะของการแสดงที่เขาบอกออกมาจากอินเนอร์ออกมาจากอินเนอร์นี่แหละออกมาจากใจที่มันว่างนี่แหละ <c oughs> แล้วมันจะเป็นไอตัวงานตรงนั้นจริงๆ โยมยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าไปเห็นจิตมันว่างแล้วมันจะคิดทาํางานยังไงได้งั้นใช่ไหมอืมไม่ใช่ต่อไปเนี่ยไอ้ตัวว่างนี่จะเป็นฐานของการดําเนินชีวิตของเราขณะที่คิดขณะที่พูดขณะที่ทําอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยจะเห็นฐานของจิตนี่ว่างอยู่ด้วยโยมเนี่ยแปลกไอ้ตัวเนี้ยวิธีปฏิบัติที่พระองค์พูดไว้เนี่ยจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ถ้ามวยถ้าโยมมัวใช้กระบวนการความคิดอยู่ โยมจะไม่มีฐานตรงนี้เลยและโยมปฏิบัติไปจนตายโยมก็จะไม่เห็นความจริงที่เรียกว่าบรรลุธรรมและเห็นความจริงมันเห็นยังไงประจักษ์แจ้งความจริงนมันประจักษ์แจ้งยังไงโยมจะไม่รู้จักแต่เมื่อใดที่ใจโยมว่างจากการชรํรล้างโดย แ, และรับรู้เฉยๆเนี่ยนี่คือสภาวะที่เข้าถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตื่นแล้ ว, ลวเนี่ยนี่ตื่นปัญญายาณทําหน้าที่แล้ว ไม่มีตัวตนแล้วเพราะนั้นเราก็สามารถเรารู้วิธีที่จะทำให้ตัวตนมันหายไปตัวตนมันเกิดจากความคิดเราก็สามารถจะทำงานทำการอยู่ในในทุกขณะที่มันไม่มีตัวตนเห็นไหมการงานกับการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งเดียวกันท่านนี่หลวงพ่อเอามาจากคาพูดท่านอาจารย์พุทธทาสคนด่ากันขลุมเลย <laughs> มันจะทำได้ยังไงทางาน ไปปฏิบัติไปมันจะทำไงได้แต่ถ้าโยมลองปฏิบัติในอย่างในแนวทางนี้นะครูไม่ลองอ่อนเลีมยมญาชํำเลีงดูลูกน้อยเนี่ยพอมันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยโยมจะเห็นว่าการงานในชีวิตประจำวันนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมต่อไปจะไม่มีการปฏิบัติธรรมนั่นคือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของเราการดำเนินชีวิตที่แท้จริงที่มีปัญญาญาณอย่างรู้ความจริง เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะคิดทัมมาสังกัปปะไม่ว่าจะพูดสัมมาวาจามันไม่ใช่ไปแบ่งไอ้สองข้อนี่ปัญญาไอ้สอข้อนี่สมาธินี่ไม่ใช่อริมัชยมีอ ง, 8, ง 8, องค์แปดทั้งแปดองค์นั่นแหละมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ได้แยกจากกันเลยที่มันสัมมาได้เพราะมันอยู่บนพื้นฐานของปัญญาที่เห็นความจรงิงแต่ปัญญาตัวนี้ยมันอธิบายไม่ได้ทุกคนต้อง เข้าใจจากประสบการณ์ที่แต่ละคนเข้าถึงเองไอตัวรู้ตัวเนี้ยให้ตัวรู้ในขณะที่ไม่มีความคิดเนี่ยให้ตัวรู้ที่เกิดจากจิตที่มันว่างเนี่ยโยมจะเข้าใจเมื่อยมเข้าถึงเองเนี่ยะความเข้าใจที่แท้จริงมันมาจากประสบการณ์ตรงต่อความจริงเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อมาได้แนะนำให้โยมไปหาหนังสือในท้องตลาดมีสองเล่ม หลวงพ่อเขียนแล้วอมรินพิมพ์ติ้งเขาไปพิมพ์นิพพานได้ในทุกขณะนิพพานได้ในทุกขณะขณะที่เราไม่มีตัวตนเนี่ยเข้าถึงนิพพานแล้วไม่มีตัวตนห้าทีก็อยู่กับนิพพานห้านาทีเล่มก็คือทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิตทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิต ยังไปหาซื้อหลวงพ่อไปดูที่ร้านหนังสือวันนี้ตรงมนุษสาวรีเนี่ยร้านในอินทั้งใช้กลางสู่อิสรพแห่งชีวิตมีแต่นิพพานได้ในทุกขณะเนี่ยหาไม่เจอไม่มีเอะมีไหมเอยมไปหามาอ่านนะนิพพานได้ในทุกขณะเนี่ย นิพพานได้ในทุกขณะเนี่ยถ้าคนยังไม่เห็นจิตใจตัวเองยังไปไม่พ้นจิตสามันสำนึกเนี่ยโยมจะอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่เข้าใจเลยหนังสือเล่มนี้มันเป็นภาษาที่อยู่บนมันเป็นมันเป็นมิติที่เหนือจิตสานึกที่ใช้ภาษาโยมเคยได้ยินไหมว่าในสมัยพระศีอานเนี่ย ทุกคนเนี่ยหน้าตาจะไม่ต่างกันเลยออกจากบ้านจําเนียไม่ได้เลยเะในสมัยของขสีอานเนี่ยทุกคนหน้าตาจะไม่ต่างกันแต่โยมเห็นได้เมื่อโยมเข้าถึงเมื่อโยมเข้าถึงจิตเหนือสํานึกเมื่อตัวตนเราไม่มีเข้าถึงสภาวะความจริงเนี่ย การรับรู้ทางตาหูจมูกของเราเนี่ยมันจะรับรู้เฉยๆอย่างไม่ลงความเห็นว่ามันสูงมันต่ามันดํามันขาวมันจะไม่ลงความเห็นว่ามันถูกคนผิดแต่สุกสิ่งไม่แตกต่างแต่ไม่เหมือนกันไม่ใช่หมาเหมือนกับแมวแต่ว่าแมวเนี่ยไม่ต่างจากหมาเหมือนกับต่างมันเป็นของคู่ใช่ไหมลงความเห็นไม่ต่างไม่เหมือน นี่เป็นไงมันเป็ น, นเช่นนั้นเองถ้าเรารู้ด้วยจิตใจที่มันว่างไม่มีความคิดไม่มีการลงความเห็นของคู่คู่นี่มันจะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นการเห็นทุกคนไม่แตกต่างกันน็่นคือการเห็นด้วยปัญญายานนี่แหละไม่ใช่เหมือนกันหมดเลยไม่ต่างแล้วก็ไม่เหมือนด้วยนะไม่ใช่หมาเหมือนกับแมว หมากับแมวไม่เหมือนกันและก็ไม่ต่างไม่ต่างกันด้วยนี่นี่คือภาษาภาษาของโลกที่เขาเอาไปใช้ในมิติของจิตเหนือสำนึกเขาเอาไปใช้ในมิติของกวีเขาไปใช้ในบทกวีกวีเนี่ยมันคนที่เขียนบทกวีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าถึงจิตเหนือสำนึกหรือศิละปะ หรืออะไรกันแล้วแต่จะต้องเข้าถึงสิ่งนี้เป็นพื้นฐานและการงานอันนั้นมันถึงจะออกมาดีศิละปะคำว่าศิละปะเนี่ยมันหมายถึงการกระทาไม่ว่าจะคิดี่พูดจะทำวาดภาพหรืออะไรตอะไรก็ตามเนี่ยศิละปะไม่ได้อยู่ที่ความสวยแต่ศิละปะอยู่ที่จิตทั้งคนวาดในขณะนั้นภาพที่วาดกับเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียว นี่คือศิลปะมันมาจากอะไรถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยก็สอนมาจากภายในอินเนอร์อินเนอร์แต่เขาไม่รู้ว่าอินเนอร์นี่มันมาไง ม, yeah. มาจากตัวตนที่แท้งแงเราก็คือความว่างหรือจิตประภัสสรเนี่ยโยมโยมเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยหลวงพ่อพูดได้เลยว่าทุกคนเข้าถึงนิพพานได้ทุกคนแต่จะสมบูรณ์ร0อยเ5อร์เซนัเจ็ดิบห้าอร์นห้าสิบเอร์เซรื่ยง นิพานก็คือสภาวะที่ไม่มีตัวกูวไม่มีอัตตาอัตตาเกิดาอะไรเกิดจากความคิดถ้าไม่มีความคิดใหม่ๆเราจะเห็นความว่างในขณะที่มันไม่คิดโยมจาไหมนะใหม่ๆปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโยมจะเห็นใจมันว่างขณะที่เราชำรเรืองเนี่ยว่างเห็นสัจจารขณะที่มันไม่คิดใช่ไหม ต่อไปเนี่ยในขณะที่โยมคิดพูดทำอะไรต่อะไรเห็นไอ้ตัวว่างนี้ด้วยเห็นที่หเห็นที่ใจแล้วนี่แหละกลบบึ้งใจเลยเนี่ยมันสงบนิ่งเฉยว่างเพราะฉะนั้นในขณะนั้นคิดก็ได้โยมพูดก็ได้ทำก็ได้ยิ่งเป็นความคิดที่ดีใหญ่เล ย, ย, ยนั่นะเป็นการงานที่แท้ จ, จริง ใ, ใ, ใครจะถามอะไรไหม เวลายมนั่งสมาธิโยงกำหนดลมหายใจกำหนดไหลบ่าหรือนั่งกับศั ก, กระนั่งการฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ได้เฉพาะนั่งอย่างเดียวนะเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้วิ่งก็ได้ทําอะไรตอนไหนอยู่เนี่ยนึก้นได้ตอนไหนโยงก็สังเกตแล้วความคิดหายไปพอมันมีพลังเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าสมาธิ เป็นสมมาสมาธิดยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปัญญายานแต่ถ้าโยมไปนั่งและกำหนดลมหายใจให้ไปรู้ยุก็สิ่งได้ชิ้นหนึ่งแม้มันจะสงบแต่ปัญญาที่จะอย่างรู้ความจริงมันเกิดไม่ได้พุทธเจ้าปฏิบัติมักคะสองอาจารย์แล้วอย่าไปทำอย่างนี้ให้เสียเวลาเอาลมหายใจไปทิ้งซะเปล่าๆเนี่ยวันคืนล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่ สารีบุตรเธอดำรงจิต อ, อย่างไรขนาดนี้ข้าพระ อ, องค์ดำรงจิตอยู่ในสุญญตาวิหารมาแกวข า, าเห็นไหมภาษาสารีบุตรท่านก็ดำรงจิตอยู่ในความว่าถูกแล้วสารีบุตรแม่เราก็ดำรงจิตอยู่ในสุญญตาวิหารสุญญตาคือความว่างเป็นวิหารเป็นที่อยู่เพราะฉะนั้นเดินยืนนั่งนอนหัดชำเลืงให้เกิดความชำนาญให้เกิด ให้เกิดความเคยชินใหม่ๆนี่เราไม่เคยชินกับมันนานๆมันจะนึกได้ทันทีจิตของเราเหมือนลิงไปเกาะ อ, อยู่รูปเมืองเชียงมืองร้อนพอหนึกขึ้นได้พอหนึกขึ้นได้มันก็หยุดนึกขึ้นได้แล้วหันมาชำองความคิดหายไปตัวตนหายไปปัญญาที่จะรู้เพรอ่อมเนี่ยยงค่อยๆเรียนรู้เนี่ยหลักของไตรสิขาคือการศึกษาคือการเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองการสึกเสือธรรมะก็คือ การเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองส่วนพระไตรปิฎกนั่นคือคําแนะนําจากผู้รู้จากพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงสิ่งนี้แล้วเราประจำอันนั้เป็นความรู้แล้วก็มาทดลองดูอแต่เวลานี้เราไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรโยงเข้าใจกันหรือยังว่า ที่เราปฏิบัติปฏิบัติไปสำนักโน้นไปสำนักนี้เพื่อจะไปปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอยู่ฮะเพื่ออะไรหนุ่มไกลไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งเอาใกล้ใกล ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งปัญญาในพุทธาภิเษกสามระดับปัญญาระดับความรู้ปัญญาระดับความคิดอินตามัญญปัญญาสุตรามัญปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากใจที่มันว่างหรือใจที่สงบเพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งอย่างรู้ความจริงเห็นลายเต้นเมื่อรู้ความจริงแล้วมันก็ละวางความยึดถือต่างๆที่เราคิดว่ามันจริง ที่เราลงความเห็นว่าไอ้ น, นี่ถูกไอ้ น, นี่ผิดไอ้ น, นี่ดีไอ้ น, นี่ชั่วไอ้ น, นี่สูงไอ้ น, นี่ต่ำเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความจริงมันก็ละวางความเห็นละวางสมมุติเข้าใจสมมุติแต่ก่อนใครว่าเราหมูเราหมานี่นี่หมูหมานี่ก็สมมุติเราไปยึดถือมันเพื่อให้เกิดปัญญาละวางความยึดถือต่าง จิตทั้งเราก็เป็นอิสระเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วเป้าหมายพุทธศาสนาคือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงวิมุตติเข้าถึงความวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่เวลานี้โยมไปปฏิบัติโยมไม่รู้เป้าหมายว่าปฏิบัติเพื่ออะไรทำอย่างนี้มันเกิดปัญญาไหมเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยถามทำกันไปทากันไปแต่หลวงพ่อบอกไว้ว่าการปฏิบัติเนี่ย เพื่อให้เกิดปัญญาชนิดหนึ่งอย่างรู้ความจริงแล้วในวิธีการของผู้เจ้าเนี่ยปฏิบัติได้พัฒนาได้ในทุกอรียบทไม่เฉพาะนั่งอย่างเดียวเดินยืนนั่งนอนทำการการทาการงานอยู่นึกขึ้นได้นึกขึ้นได้สติเกิดตอนไหนสติมันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะนา น, านมันจะเกิดสักทีนึกขึ้นได้ทำเลืองดูจิตใจความคิดที่เราอยากจะให้มันสงบ โดยการไปบังคับมันนะอนั้นไม่ใช่พอชำระล้างปั๊บความคิดหายไปเลยอู้รัดสั้นแท้ๆเลยความคิดหายไปการรับรู้ชนิดใหม่ก็เกิดรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกพอความคิดหายไปแล้วเนี่ยโยมมันเป็นการทำงานในมิติจิดเหนือสำนึกแล้ะการลงความเห็นก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีการเวลาก็ไม่มี เห็มันไปอีกมิติหนึ่งเลยนั่นคือมิติของความจริงเราจะปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการอยู่กับความจริงดําเนินชีวิตไปบนวิถีของความจริงที่ไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางที่ไปพ้นการเวลายิ่งมั่นคงเท่าไหร่สมาธิมีมากขึ้นเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งแผ่ขยายครอบคลุมทุกสิ่งคือรู้ในความเป็นองค์รวมเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วพ่อพูดถึงการรู้อย่างไม่แบ่งแยก หุดเริ่มต้นโคไม่ลก่อนเลีหญ้าโยมปฏิบัติอย่างนี้ยเดินยืนนั่งนอนนึกได้ตอนไหนเชื่อมือแล้วโยมจะเข้าใจไอ้ตัวรู้พร้อมรู้ในความทั้งหมดรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตด้วยปัญญาญานเนี่ยโยมจะเข้าใจในตัวเองออรู้อย่างนี้เองรู้อย่างไม่มีขอบเขตจากัดรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิตสิ่งนี้มีอยู่แล้วพระเจ้าบอกที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้อะไรเพิ่มมาเลย ทุกคนทุกคนมีสิ่งนี้อยู่แล้วแต่เพราะความสำคัญผิดเราไปยึดถือไปแบกอะไรต่ออะไรไว้การปฏิบัติก็เพื่อจะวางที่เราแบกไว้น่ะด้วยปัญญายานถ้ายมถ้ายมปฏิบัติอยู่ในมิถิ่นจิตสามัญจำนึกที่มีปัญญาเพียงเหตุผลโยมจะไม่รู้จักความจริงเมื่อโยมไม่รู้จักความจริงไม่ประจักษ์แจ้งความจริงการละวางความยึดถือต่าง ๆ, ๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ จิตของเราจะเป็นอิสระได้ยังไงใช่ไหมเนี่ยยมลงธรรมอย่างหลวงพอแนะนำมานี่สักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสามเดือนสามปีเจ็ดปีก็รู้เรื่องแล้วคือทำมาจนตายอยู่ปฏิบัติจนตายเนี่ยหนูหนูยังอายุน้นอยเนี่ยหลวงพ่อกว่าจะเห็นตรงนี้ได้นะไม่มีใครบอกเลยนี่ยังมีหลวงพ่อมาบอก แต่ก่อนหลวงพ่อไม่มีใครบอกอย่างนี้เลยกว่าจะรู้เลยอายุตั้ง 5.5 าสิกันมาแล้วดีไ ม, ม่เมาตายไปซะก่อนหลวงพ่อไปเลาในะกินเหล้าเมายาอุย้ยเทีเ่ยวไปต่างประเทศโน่นไปทำงานโน่นอีลงอีลักซาอูบาร์เรนเนี่ยพ่อเที่ยวยูเอียเนี่ยไปน้ำไทยกริชเนี่ยบานฮุสเซนเนี่ยหลพ่อไปเที่ยวมาแล้วตอนหลังมาอยู่กับองค์การการชาติสากลไอซีไอซีเดอะเนชันแนล อยู่ก็เขเมรอลวงพยกเป็นแสนเลยมันเข้ามาอยู่กันเขาวิดางหนวงพไปทำโอ้อยู่ก็โรยบานมันยิงกันชายแดงก็ไปขนออกมาแขนขาดขาขาดตายก็ไปช่วยเขายกจับไอ้คนทีตายมันแข็งแล้วทาไมเราไปกลัววะเนี่ยไอ้คนตายเรากลัวคนตายคนเป็นเราไม่กลัวเออลูกล้อพิจารณานะเอ๊ะทาไมเราไปกลัวคนตายแล้วตัวมันเย็นเย็น หลวงพ่อก็เลยเบื่อหนายเนะีกก่ยหลวงพ่อเลยลาออกจากตอนนั้นเงินเดือนสูงเนะี่ยลาออกแล้วเข้ามาบวชเนะี่ยมาบวชมาบวชมีลูกสองคนมีภรรยามีหลวงพ่อบวชหางเครื่องให้บวชหางหน้าสี่คนมีสี่คนแต่หลวงพ่อก็โชคดีเดินเดินอยู่ความคิดหายไปเฉยๆนั่นเองเนี่ ย, น, ยนี่คือความโชคดีหล ว, พวงพ่อกมเข็มในมหาสมุทรเชื่อไหมโยม คุงพ่องมเข็มในมหาสมุทรได้นี่พุทธศาสนาเนแปดหมื่นสี่พันธรรมันกว้างมากเลยโยมโยมไม่รู้จะไปเจาะเอาตรงไหนเลยเข็มมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมายมไม่รู้หรอกกว่าจะได้หัวใจมาปฏิบัติเนี่ยโอ้โหโยมเนี่ยดีมันไม่บาไว้ทั้งก่อนจริงๆเนะี่ยถ้าเรากำหนดมากๆทำมากๆเพียนนะเพียนเลยนะบางคนเพียนวุ่บางคนวิ่ง ยิ่เลอะเลือนไปเลยหลวงพ่อเออแล้วหลวงพ่ออายุมากหลวงพ่อก็เลยไม่สร้างอะไรชอบอยู่ชอบอยู่องเดียวเงียบเงีหลวงพ่ออยู่ในป่ามะม่วงตอนนี้มะม่วงกำลังออกมีอยู่สิบปลายหลวงพ่ออยู่ก็เสียงกบเสียงเขียดนกกระรอ ก, กอหิงเหลนเชื่องหลวงพ่อเพียนเพียนอยู่ตรงเนี้ย เพียนที่จะดูซิว่าไอ้ความสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงความสมบูรณ์ที่ไม่มีตัวตนทุกขณะนี่มันจะมีเป็นยังไงหลวงพวเพียนหวงพวเพียนอยู่ตรงนี้มันมีพุทธพจนิยมบทหนึ่งนะจิตตังรักเขตเมทาวปลาดยอมตามรักษากจิตทั้งตน โยมไปถามอาจารย์ที่คนจาพุทธพจนี่นายพุทธพจน์มันเป็นคำสอนสั้นๆของพระเจ้าแต่เราเอามาตีความหมายก็ไปนคนละอย่างสองอย่างโยมตีความหมายไงจิตตังละเขตมีทวีก็ปแปล ว, ว่าปราดยอมตามรักษ า, าจิต ท, ทุกตนเนี่ยโยมได้ยินพุทธพจนิยงพ่อพูดเนี่ย จิตตังแักเขธทาไ ม, ไมเมตถวีปราดย่ำตามรักษาจิตทั้งตนลงมาสู่การปฏิบัติเนี่ยโยงจะทําไงรักษาจิตไม่ให้เรามีความ ร, รู้สึกโลภไปถึงความเรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกเกลียดคนเราใจว่างแล้วเราก็รักษาจิตได้ให้เปลี่ยหรือให้โลหรือให้ล ห, หลงเ <c oughs> ออกลเคียงไกลยเคียงบางคนก็ไปแปลว่าตามตามดูจิต ตามดูจิตให้ทันพิจารณาตายรักของมันเห็นมันเกิดมันดับเห็นมันไม่เที่ยงส่วนมากจะจะแปลกันอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ได้แปลงนะหลวงพ่อตามรักษาจิตของตนเนี่ยตามรักษาจิตที่มันว่างอยู่เนี่ยตามรักษาจิตพระพนเนี่ยโยมเห็นคนไปเข้าห้องน้ำลิฟทลูมไปเข้าห้องสวมโยมช่วยกันรักษาความสะอาด แสดงว่าความสะอาดมันมีอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมศอกะปลกนี่มันมาทีหลังเหมือนใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมันบริสุทธิ์อยู่ประพัดสอนอยู่กิเลสตัณหามันเหมือนอาคารผุกาจรมาตามรักษาจิตก็คือตามรักษาจิตที่มันปกตินั่นแหละถ้าโยมจะไปตามรักษาความคิดเป็นไปได้ไหมไม่มีทางโยมไม่เห็นมันด้วยความคิดน ไม่ต้องไปตามดูมันหรอกโยมไปพิสูจน์ดูเลยโยมเห็นความคิดไหมโยมไม่เห็นแล้วพอเหลียวมาก็แคมเรื่องก็ไม่มีเส้นไม่มีเห็นแล้วแต่โยมจะเห็นอะไรเห็นไอ้ตัวว่างไอ้ตัวปกตินี่แหละมันมีมันอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่หลวงพ่อตีความหมายจากประสบการณ์ของการปฏิบัติพราไอ้พุทธพจน์บุตรเนี่ยมันจะต้องแปลตรงนี้มันจะไปแปลดูความคิดไม่ไปไปแตมรักษาผิดอะไรตอนอะไรพวกนั้นรักษาจิตกระพศนตรงนี้ไว้ นั่นก็คือชำเลืองดูมันนั่นแหละโย่ชำเลืองดูมันบ่อยๆมันจะมีนะบางครั้งชำเลืองไปชำเลืองไปเนี่ยจิตมันจะตื่นนอนไม่หลับเลยสองคืนสามคืนนอนไม่หลับเลยเอาคนปฏิบัติใหม่ๆหันมาชำเลืองดูเหมือนกับใบไม้ที่มันหล่นมาเนี่ยเอ๊ะเลยตาต้นเราไม่ได้สังเกตแล้วไม่ได้ดูเลยเพอเรากวาดมันเตียนแล้วเนี่ยอะไรหล่นมาปั๊บอะไรหล่นมาใบเราก็เห็น อะไรหล่นมาใบเราก็เห็นเหมือนจิตแล้วเนี่ยถ้าเราตามรักษาจิตที่มันสะอาดมันประพัฒสอนอย่างนี้พอเกิดอะไรขึ้นนิดเห็นเลยเกิดอะไรขึ้นนิดเห็นเลยพระมัญการทักหม้อหรือท่านโพธิธรรมนี่มั่วอยากเห็นปลาให้เฝ้ามองน้ำถ้าโยมไปมองบนฟ้าโยมไม่เห็นปลาเห็นอยากเห็นปลาให้เฝ้ามองน้ำมองน้ำจะไปมองปลานะ พอปลามันก็โดดขึ้นมาก็เห็นเลยอยากเป็นพุท ธ, ธะให้เฝ้ามองจิตใจเนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยให้คอยเฝ้ามองจิตที่มันว่างอยู่เนี่ยแล้วโยมจะเข้าใจว่าพุท ธ, ธะเนี่ยมันคืออะไรพุท ธ, ธะเนี่ยคืออะไรพุท ธ, ธะมีอยู่แล้วในคนเราทุกคนอาจารย์บอกว่าทุกคนเนี่ยมีพุท ธ, ธะอยู่แล้วจิตเป็นพุท ธ, ธะอยู่แล้วมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง อยู่มาสามปีแล้วไม่สงสัยอะไรเลยอาจารย์ก็สงสัยเอ๊ะเองไม่สงสัยม้าเหือนี่ยผมก็สอนมาสามปีแล้วเองไม่สงสัยเอ้าก็อาจารย์สอนว่าจิตของเราคือพุทธะผมเป็นพุทธะอยู่แล้วผมจะต้องไปถามเถืมอนอะไรล่ะอาจารย์ว่าไอ้นี่มันพุท ธ, ธเกณีวะหอบออเสือ้อหอบหมอนออกจากวัดไปเลยมหัอาจารย์อพอเดินไปกลางเอ๊ะ เราเป็นพุท ธ, ธะทำไมมันยังโมโหอยู่ก็เลยกลับมาอาจารย์ก็มาถามอาจารย์พุท ธ, ธะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อาจารย์แทนที่จะอธิบายว่าพุท ธ, ธะคือไอโนเ น, นี่ยนีอย่างเทราวาดนะเทราวาดเราชอบอธิบายน้ำท่วมทุ่งแต่ไม่ใช่ไม่มีเนื้อเลยชอบอธิบายอาจารย์ก็บอกพุท ธ, ธะตามหาพุท ธ, ธะอาจารย์ผููแค่นี้ลูกศิษย์เข้าใจไวยะ ที่อาจารย์แสดงความเป็นพุทธะโยมฟังหลวงพอโยมก็ยังไม่รู้เรือืน <c oughs> ิมมานมายังก็ชอบถามว่า อ, อาจารย์พุทธะคืออะไรอาจารย์กําลังชั่งไฟอยู่ไฟหนักสามปอนด์เว้ยพุทธชักพุทธะคือไฟหนักสามปอนด์อาจารย์พุทธะคืออะไรต้นเหลวดอกี่ย ว, วดอกสีชมพูใบสีเขียว พุท ธ, ธคืออะไรพุท ธ, ธคืออะไรถ้าโยมหลวงพ่อมยยไม่ขยายอ่ะไม่ไม่อธิบายให้โยมรู้เองมันจะดีใจมันจะอิ่มใจ <c oughs> เขาไม่มหายายเขาไม่ฆ่ากันด้วยการอธิบายเพราะให้รู้ด้วยตัวเองยังรู้ด้วยโอ้เข้าใจด้วยตัวเอง <c oughs> มันจะเกิดปิติอิ่มใจ <c oughs> พุท ธ, ธคืออะไรหลวงให้งพ่อให้คำถามโยมไปว่า พุทธคืออะไรโยมไปหาคําตอบมาลูกศิษย์เข้าถึงความว่างแล้วลูกศิษย์เข้าถึงความอาจารย์ใจของผมไม่มีความคิดเลยเนี่ยผมมองทีไรใจว่างอาจารย์ก็บอกเธอยังขาดบางสิ่งสามปีกันแล้วกลับมาบอกจะยิ่งว่างใหญ่เลยอาจารย์เป็นชั่วโมงช่วโมงเลยไม่มีความคิดเลยเนี่ยผมเป็นพุทธอยังเธอยังขาดบางสิ่งอาจารย์ไม่บอกว่าขาดอะไรนะ แต่บอกว่าขาดบางสิ่งถ้าโยามไปอ่านหนังสือหลุงพ่อเรื่องนิพพานได้ในทุกขณะบางทีอาจจะได้คําตอบนะหลุงพ่อบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจังมีคนถามลุงพ่อลุงพ่อมันอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเ๋ยอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพ่อก็บอกวันนี้อากาศร้อนจังโยมตื่นเช้า เคยได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกมันร้องมหม <pareil> <sem. S 2> เราได้ยินธรรมดาแต่เสียงกบเสียงนกกาเว่า male, ที่มันร้องตอน เ, เช้าๆนั่นแหละมันบอกความลับของชีวิตเราเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเนี่ยมันบอกความลับของชีวิตเราอะไรคือความลับของชีวิตเรา อะไรคือความลับของชีวิตเราเยอะอีกเตือนหนึ่งพ่อจะมาฟังไอ้ฟังคำตอบจากโยมหลวงพ่อไม่บอกลหรอืมถ้าบอกโยมจะไม่อิ่มใจไม่สุขใจการปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มมีความสุขตั้งแต่เราเริ่มเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเริ่มเห็นความจริงเนี่ยมันจะเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยหลวงพ่ออยากให้โยมเห็นตรงเนี้ย แล้วมันจะเกิดฉันทะโยมถ้าเห็นตรงนี้ได้นะฉันทะไม่ได้กิเลสนะฉันทะคือความอิ่มใจดีใจภูมิใจสุขใจฉันทะฉันทะนี่มันใกล้ๆกับตัณหาใกล้ๆกับตัณหาแต่มันไม่ใช่ตัณหาถ้ามันเกิดฉันทะเนี่ยความเพียรมันจะตามมาเช่นเราชอบอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหมได้พระมาแหมองนี้นาฬิกาใจของเราก็อยู่ก็ไอ้เนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งที่เราชอบเนี่ย ฉันทาวิริยะจิตใจแล้วมุกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้เพียงบอกว่าเนี่ยงานทุกชนิดโดยเฉพาะงานทางธรรมทางโลกก็ตามถ้าไม่มีอิธิบาทสี่ันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะาคือความอิ่มใจสุขใจที่ได้เห็นความจริงที่ได้เห็นสัจจะอู้เราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดรู้ว่า ร, รู้ว่าความจริงของชีวิตมันเป็นอะไรเนี่ยอิ่มใจสุขใจ ความเพียรมันจะตามมาวิริยะจิตตะการสอดส่องการใกล้คลุนอยู่กับสิ่งนั้นปรับแปลงดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงเนี่ยอธิบาตสี่นี่เป็นองค์ธรรมอยู่ในโพธิปักกียธรรมองค์ธรรมแรกคือสติปัฏฐานสี่ ถ้าเราเห็นสติปัฏฐานสี่เห็นจิตใจมันว่างแล้วรู้พร้อมกายเวทนาจิตทำฮะหลวงพ่อจะให้รู้จักสติปัฏฐานสี่ก่อนสติปัฏฐานสี่ยมลองสังเกตใจตัวเองนะ่ยขณะเนี้ยดูสิไมนมีความคิดเลยเห็นมหมยอมเคลื่อนไหวยอมอะไรต่ออะไรเนี่ยรับรู้ทางตาหูจมูกเนี่เยเคลื่กายแลียนูเห็นจิตใจตัวเองมันเฉยๆเวทนาที่เฉยจิตไม่ได้คิดอะไรเลย รับรู้ในความเป็นทิ่นั้นเองของสิ่งต่างๆที่เรารับรู้เนี่ยนี่คือสติปัฏฐานสี่มันจะรู้จากปัญญาที่เกิดจากจิตที่ว่างที่เดียวทั้งสี่ฐานเลยนะให้ตัวรู้ตัวนี้เกิดเนี่ยตัวตนไม่มีเนะี่ยสติปัฏฐานสี่จะต้องรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้พอเรารู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดฉันทะอิ่มใจสุขใจความเพียรที่เราจะ อยู่ก็สิ่งนี้มันจะตามมางานทุกชนิดถ้าไม่มีฉันทาวิริยะติตะวิมังษางานนั้นยากที่จะสําเร็จยิ่งงานทางธรรมนี่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนห้าปีสิบปียี่สิบปีโยนี่ก็เรียกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ ย, เ, ยเรียนรู้จริงๆเลยตลอดชีวิตจริงๆเลยจนตายรู้จนตายอยู่ แล้วมันจะไม่ถอนจะทําให้ไม่รู้ไม่ได้นะมันจะรู้มันเองรู้มากขึ้นรู้ละเอียดขึ้นรู้ซึ้งขึ้นเราไม่ใช่คนแล้วตอนนี้เราเป็นอริยะบุคคลแล้วพอเราเริ่มกําจัดความรู้สึกก็มีตัวเราเนี่ยเราเป็นอริยะบุคคล ต่อไปแล้วก็เริ่มนับโสดาตะกิทานาคาพระอรหันย์อย่าไปเรียกพระอรหันนะดูไหมอรหันคืออะไรอรหันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่หัวกับตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันปฏิทินสมัยก่อนมีคนบวกทงเอ๊ยโยไม่เคยเห็นนะปฏิทินสมัยโบราณนะมีไก่แล้วก็หัวเป็นคน หรือตัวเป็นคนหัวเป็นอะไรต่ออะไรเนะนี่ยก็เรียกอรหรันอรหันคือสัตว์ที่หัวกับตัวไม่เหมือนกันแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญาสมบูรณ์เนี่ยก็เรียกพระอะหรหันอ้ออ่างเราเรืออย่าไปออกเป็นออนมันเป็นอ่าหลวงพ่อได้ยินคนพูดพระอรหันอรหันหะละหันจําไว้นะ เฉยนะเนี่ยถ้าเราเรียกอรหรันนัเชยตายเลยชาวพุทธไม่รู้ไอ้นมันสัตว์ไอ้นี่มันอรยยะบุคคลพอเข้าใจไมโยมใครจะมีคำถามอะไรบ้างโยมปฏิบัติกันมาหลายอาจารย์เยอะแยะหนูพ่อรู้ มหานิยายมหายานเขาจะไม่เน้นเรื่องความมีและความไม่มีนเนี่ยขาจะไม่ใช้กระบวนการความคิดไปหาความไม่มีแต่เขาจะเข้าถึงสภาวะจิตเดิมที่มันไปพ้นความมีและความไม่มีแม่ชีกำลังปฏิบัติมาสิบห้าปีนั่งสมาธิเดินจงกรมสิบห้าปีก็แล้วยังไม่บรรลุธรรมเลย วันหนึ่งก็ไปหาบน้ําคาหักน้หลนจิตจงแม่ชีว่างบรรลุธรรมเลยก็เข้าถึงจิตประพสสอนตัวเองเลยเมื่อใดที่โยมเห็นจิตหันเข้ามาชำระล้างดูความคิดหายไปโยมก็จะเห็นเนี่ยเขาเรียกจิตประพสสอนจิตเดิมจิตหนึ่งเนี่ยถ้าเข้าถึงสภาวะตรงเนี้ยตัวตนมันจะหายไปไม่ต้องไปทําอะไรเลย เพียงชำเลืองเท่านั้นแหละความคิดหายไปตัวตนก็หายไปตัวตนมันเกิดจากความคิดถ้าไมมีความคิดตัวตนมีไหมไม่มีเวลาเกิดจากความคิดทําไมมีความคิดเวลามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่มันเวลามีคนบอกลุงพ่อว่าทําไมลุงพ่อไม่ใช้คําพูดว่านิพานที่นี่เดี๋ยวนี้ หลวงพ่อบอกว่าไอ้ที่นี่มันยังเป็นสถานที่อยู่เดี๋ยวนี้เป็นไงเวลาถ้ายังมีสถานที่มีไทแมงสเปซนี่มมนใช่นิพานนิพานจะต้องไปพ้นเวลาไปพ้นสถานที่เป็นอากาลิโกเพียงแค่เรืองเพียงแค่เรืองก็หายไปแล้วความคิดโยไมไปลงไปทาให้มัน ไม่ต้องไปสะกดมันหรอกเพียงชำเลืองเพียงแต่ว่ายอมชำเลืองบ่อยๆและไอตัวนึกขึ้นได้แลวมันจะคกอขึ้นบ่อยแต่ปล่อยให้มันเกิดเองเนี่ยนานๆมจะเกิดทักทีเพราะนั้นต้องเป็นคนเอาจิงเอาจังหลวงพ่อคิดว่างานนี้คืองานชิ้นชิ้นสุดท้ายและงานที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตงานอื่นเนี่ยงานอะไรตอะไรเนี่ยเป็นลอง ทำมาหากินอะไรเนี่ยเป็นรองอะไรตอนอะไรเนี่เป็นรองหมดงานที่สำคัญที่สุดของเราในขณะนี้ก็คือการชำเลืองดูจิตใจหันเข้ามากระจัดหันเข้ามากระจัดความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นงานที่คือแต่ละคนเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดว่าห้าปีสิบปียี่สบปีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนมีความยึดถือมาเหนียวแน่นขนาดไหนบางคนก็ยึดถือเหนียวแน่นมากผู้ที่มีอิทธิภาวนิ่จะละยากอิทธิภาโวะไม่ได้หมายถึงผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีอิทธิภาโวเยอะแต่บางคนก็มีภู้ลิษะภาโวะธาตุผู้ชายเคยได้ยินกอเขาสวมหลวงไหม เสียงเสียงท่านเหมือนผู้ชายใช่ไผู้หญิงที่มีเสียงเหมือนผู้ชายเนี่ยพวกนี้จะเข้าถึงธรรมได้ไง่ายแต่ผู้ชายที่มีธาตุผู้หญิงไม่มีทางเข้าถึงธรรมเลยเลยพวกกระเทยพวกกระเทยนี่มีอิทธิพาวเวเยอะเพวกนี้ก็ไม่สนใจเรื่องธรรมะสัจจาะแต่ทุกคน ดีใจไว้ว่าเรามีสิ่งนี้อยู่แล้วทุกคนประตูที่จะเข้าถึงปัญญายานทางทางสุขาวดีเขาเรียกยานถานรยานถานรคือประตูประตูไปสู่ยานทัศนะคือจิตประพัสสอนของเราเนี่ยยมจำไว้เลยจิตประพัสสอน เดี๋ยวพ่อจะเอาหนังสือเรื่องจิตประพัสสอนมาวันนี้เอาไอ้หลวงพ่อทำเอ็มพีสามไว้สามชุดปีสี่เก้าห้าศูนย์ทำไม่ได้สองปีนึงหพ่อพูดวิยุแล้วก็อัดไว้ก็มาเสียงไม่ดีแต่ว่าเนื้อหาเอาเนื้อหาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อแจกไปนะปีสี่เก้า 64ชั่วโมงนั้นนะโยม8ชุดชุดละ8ชั่วโมง8864เปิดโยมเปิดทิ้งไว้เลย3วัน3คืนนะันให้ชินหูเลยฟัง สติปัฏฐานสอิทธิบาสสีสมมติปทานสี่อ่าสมมติปทานสีก็คืออานุลักษณาประหารประหานะานอ่าสมมติปทานสีเนี่ยตามรักษาจิตนี้ไว้ภาวนาเขาเรียกสมมติปทานสีประทานคือ คือคอยสังเกตจับรวมระวังไม่ให้มันเกิดกระบวนการความคิดที่เป็นอกุศลแล้วก็ตามรักษาแล้วก็ทำให้มันมากอนุรักณาภาวนาเนี่ยสี่สามเท่าไหร่ละสิบสองอินทรีย์ห้าระอีกห้าเป็นสิบศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้า พละก็เหมือนกันพลังไออินทรีย์กับพละเนี่ยคือสมาธิโยม พ, พ, ย พ, พุทธชงเกตสติสัมโพชฌงวิริยะปิติปัสสทธิสมาธิปัญญายีสองพอุทธชงเกต มัคคิวยแปดสามุดเจ็ดประการเนี่ยนี่เขาขยายความละเอียดเลยนะจริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยย่อลงมาเหลืออันเดียวก็คือทางสายกลางโยมต้องโยมต้องรู้จักตัว จริงๆของสติปัฏฐานสที่มันรู้ทีเดียวทั้งสี่ฐานแล้วมันจะเกิดความอิ่มใจฉันทะมีสุขเพราะมันเกิดฉันทะความเพียรก็ตามมาแล้ยสามารถประธานสี่ก็คือสำรวมระวังสำรวมไม่ให้อุศนเกิดเพราะว่าเกิดก็ประหารมันเพราะเกิดก็ประหารมัน แล้วก็อนุณรัคณารักษาไว้ทำให้มันมากๆภาวนาเนี่ยคือสัมมาประธานสี่แล้วก็โพชฌงเกตในโพชฌงเกตเนี่ยเขายังเน้นเรื่องสติอยู่ไหมแต่เป็นสติที่เป็นองค์แห่งการประจักษ์แจ้งความจริงองค์แห่งการรู้ความจริงและสติสัมโพชฌง เ, เป็นสติที่ทํางานร่วมกับปัญญา ธรรมะวิจยะเนี่ยคือปัญญาที่อย่างรู้ความจริงสติธรรมะวิจยะวิริยะปิติปัสสิสมาธิอุเบคาพอไปถึงมัคมีองแปดปัญญาเด่นชัดแล้วตอนนี้จะปัญญาจะนำแล้วปัญญาจะเป็นพื้นฐานของจิตใจแล้วแหละจากการที่เราฝึกจะ สติปัฏฐานนี้เราไม่เห็นทำเมดดื่อใดเลยที่ทําให้มากแล้วจะทําให้อรียมรรคเจริญขึ้นเราไม่เห็นทำใดเลยที่ทําให้มากแล้วอรียมรรคเจริญขึ้นนั่นก็คือสติปัฏฐานสี่โยมต้องรู้จักสติปัฏฐานสี่แล้วมรรคมีองค์แปดถึงจะเจริญขึ้นแต่ถ้าโยมไปใสอย่างหนอฝ้ายย่างหนอไปกําหนดรู้ทีละอย่างกายไปกําหนดเวทนา วทนานอกเวทนาในาปวดขาปวดแข้งไปดูจิตเห็นมันคิดไปเกิดมันดับไปแยกแยะเอาป็นธรรมอะไร น, นั้นไม่ใช่สติปัญสีอันนั้นยังเป็นเรื่องการแบ่งแยกในมิติจิตสามัญจำนึกด้วยความคิดยังต้องเข้าใจว่าในมิติจิตสามัญจำนึกเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดที่ทําให้เกิดสปปรรพสิ่งทําให้เกิดการแบ่งแยกเพราะมันมีตัวเราเป็นศูนย์กลาง พอตัวเราสิ้นสุดลงสมมุติมันญยาดเพิกถอนไปสปรรพสิ่งก็รวมลวงเป็นเอกภาพเดียวกันสติปัฏฐานสี่มันจะต้องไม่มีตัวตนตลอดสายโพธิปักยธรรมสามที่เกนี่ยไม่มีตัวตนเลยไม่มีอัตตาเลยเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ถ้าเราไปกำหนดรู้สิ่งได้สิ่งหนึ่งมีสิ่งที่ถูกรู้มีผู้รู้มีผู้รู้มีอัตตาอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่สติปัฏฐานสี เคยได้ยินไหมที่คนอื่นเขาพูดอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่เขาไปกำหนดรูดท้ทีละอย่างละอย่างละอย่างมีตัวตนว้งนถ้ายังแบ่งแยกโยโยมันเป็นสติปัญญาในรนดับจิจสามันทำนึกแต่พอเราเข้าถึงมิติงความจริง้วเนี่ยตัวตนหายไปแล้วเนี่ยปัญญาตัวเนี้ยมันจะรู้ในความเป็นองค์รวมรู้ในความสมบูรณ์ของชีวิต ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสปปรรพสิ่งต่างๆเรากับสปปรรพสิ่งนี่เราจะมีความรู้สึกว่าเราก็สิ่งต่างๆนี่ไม่แตกต่างกันเลยเราคือต้นไม้ we are the world เราคือโลกโยอมสัมผัส ต, ตรงนี้ได้ยมปฏิบัติตามที่หุวงพ่อบอก โยมจะเข้าใจที่หลวงพ่อพูดโยมอาจจะตอนนี้โยมเพียงจำแต่พอยมเข้าถึงสภาวะจริงๆ น, นเนี่ยโยมจะเข้าใจสภาวะที่หลวงพ่อพูดนี่ได้และเมื่อ น, นั้นเราจะยิ่งมีฉันทะอิ่มใจสุขใจอยู่กับสิ่งนี้ <Yeah. S 1> บางทีสามวันนอนไม่หลับเลยโยมจิตมันตื่นผิดสัญแดงไ ป, ไปปลูกมันเขา้าเพราะฉะนั้นการบวก็คือการปลุกให้จิตมันตื่นขึ้น จิตตื่นคือจิตยังไงจิ ต, รจตประภัสสรมันตื่นขึ้นจิตว่างว่างเนี่ยมันตื่นขึ้นแล้วมันจะมีปัญญาญาณอย่างรู้ความจริงแล้วยมทำหนึ่งได้นะมันก็มีสองสามสี่ห้าหกเ็ดปเก้าสิบจนกระทั่งครบ100ร้อยอายโยนเนี่ยอย่างหนูหนูเนี่ยอายุยังน้อยน้อยนะหลวงพ่อกว่าจะรู้ตรงนี้ตั้งอายุห้าสิบห้านะ อย่างน้อยๆแล้วได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราก็ให้หาตัวตนที่แท้จริงให้เจอเจออย่างตัวตนที่แท้จริงยมเจอยังฮ้ยโมหาตัวตนที่แท้จริงได้ยังตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือสุญญตาหรือจิตประภัสสนเนี่ยสุญญาตาเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงของทุกคน ทุกคนมีสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันของทุกคนทุกคนมีสัจจะสูงสุดเป็นตัวตนที่แท้เพราะฉะนั้นทุกคนที่เชื่อมโยงถ้ายอมเข้าถึงสิ่งนี้ได้มันจะเกิดเครียกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แท้จริงเวลานี้เราไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงแม้ในครอบครัว เราเห็นลูกเราเราเห็นเม <M are S 1> <lad> ียเราเนี่ยมันเป็นเพียงแต่อิมเมจมันเป็นเรื่องราวของผัวเราเป็นเรื่องราวของเมียเราที่ที่เราจดจำไว้เราไม่ได้เห็นตรงตรงเราไม่ได้เห็นศัตรูเห็นเราไม่ได้ยินศัตรูได้ยินไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเนี่ยตาหูจมูกล่้งกายมันมีเรื่องราวสารพัดที่เราใส่เข้าไปในสมองเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นอะไรตรงตรงเราไม่เคยได้ยินอะไรตรงตรงเนี่ย แต่เราจะเข้าถึงสัจจะโดยการเห็นเฉยเฉยบางคนบอกลุงพ่อขันสงสัยจะเป็นความจำเสื่อมเห็นอะไรนี่จำไม่ได้ได้ยินอะไรที่ไม่รู้อะไรเออนั่นแหละยิ่งเสื่อมได้ยิ่งดีไม่ต้องไปรู้มันหรอกไม่ต้องไปรู้ว่ามันอะไรแต่ก่อนเราเกิดมาเรารู้ไหตอนออกมาใหม่ๆแล้วไม่รู้อะไรเลยแล้วเราเริ่มจำจำจำจำจำ พออายุมากขึ้นไอตัวจำตัวเนี้ยไอความจำเนี่ยมันจะมันจะเสื่อมสลายขึนไปตามธรรมชาติย่อมไม่ต้องไปรู้ว่ามันอะไรทุกอย่างจะไปจำได้เหมือนตอนหนุ่มๆไม่ต้องมันไม่รู้ก็ไม่รู้แค่นั้นนี่ยิ่งไม่รู้ยิ่งดีเนี่ยยิ่งลืมอะไรหมดเลยได้ยิ่งดีใหญ่เลยแต่คนตกใจฉันเป็นแอนซายเมอร์อยากจะจำได้เหมือนเดิมอืม แตไนะ่ไม่ใช่ความหลงนะไม่ใช่ความหลงหลงนี่อวิชชาเนี่ยหลงนี่หมายถึงไม่รู้ความจริงอวิชชาคือไม่ใช่หลงแบบกินข้าวแล้วยงว่อยังไม่ได้กินไม่ใช่ <laughs> อวิชชาคือไม่มีปัญญาอย่างรู้ความจริง <c oughs> พอเราเข้าถึงความว่างมีปัญญาเนะี่ยไอ้ความคิดปรุงแต่งมันจะไม่มีเลย มันจะคิดเท่าที่เราอยากจะคิดเรื่องอะไรทํางานเรื่องอะไรคิดอะไรอะไรมันจะเป็นความคิดที่ดีเป็นการงานที่แท้เป็นความคิดขันห้าจะทํางานอย่างเป็นอิสระขันห้าขันห้าทำงานบนพื้นฐานของปัญญายาณขันห้าจะทำงานอย่างเป็นอิสระนน ย, ร ย, า ย, ายั ง, ะยงไม่มีความยึดถือปัญหาต่างๆ่างก็ล้างลงเรื่มน้อยลงเนี่ยเราเริ่มเห็นจิตที่มันว่างเนี่ยตัวตนหายไปเนี่ยปัญหาเริ่มน้อยลงแล้ว เรารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วปัญหามาจากความคิดความเห็นมาจากความคิดความโกรธมาจากความคิดเยรู้วิธีจะขจัดปัญหาก็ดูมันนะเนี่ยผู้เช่าบอกทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ดูมันดูมันก็หยุดคิดเี่ยวิธีขจัดแก้ปัญหาเดี๋ยวมันคิดอีกแล้วไม่ใช่ดูแล้วมันหายเลิกคิดแล้วม่้ยนมันก็วนคิดอยู่นะเราก็ดูมันโยมต้องคิดในแง่บวกว่ากระบวนการความคิดต่างๆเนี่ยมันเกิดจากเหตุปัจจัย ความยึดถือต่างๆที่เรายึดถือไว้มันถึงมีมันถึงเกิดทําให้เรามีความโกรธบ้างวิตกกังวลบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะเขาเรียกว่าัชพืชจะวัชพืชเหล่านี้แหละถ้าเราใช้เป็นมันจะทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเจริญมันจะทําให้จิตของเราเจริญขึ้นทํายังไงเราเรารู้จากวิธีก็ดูมันเรียนรู้มันเข้าใจมันโอ้ความโกรธเป็นอย่างนี้เอง ความไม่สบายใจเป็นอย่างนี้เองเอาสิ่งนั้นแหละอาวัชพืชที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยนั่นแหละดูมันแล้วมันจะค่อยๆหายไปพอเราดูเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วจากประสบการณ์ตรงนั้นมันจะค่อยๆหายไปละไปวางไปตอนหลังโยงจะแปลกใจเฮ้ยทาไมความคิดมันไม่มีเลย hmm. ความคิดน้อยไปจริงๆ ถ้าจิตเริ่มตั้งมันแล้วเนี่ยความคิดมันจะหายนิวรห้าเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันแล้วยกมไม่ต้องไปทำอะไรมันหายไปเองเนี่ยความมืดไม่ต้องไปทำอะไรไมันแล้วพุจธก้อมจัดพอจุดวีขีดแวบบแสงสว่างเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึญญ้นความมืดก็หายไปแล้วพุทธพจน์ก็ต้งบอกนะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญายะ ปัญญาโลกระสมิงปัจโชโตโปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยโยมอย่าไปหลงประเด็นว่าจะไปหาความไม่มีไม่เป็นอะไรของมันไม่เข้าเข้าใจมันแค่นั้นเข้าใจว่าโนี่มันเกิดทุกสิ่งเป็นเช่นท่านเองทุกสิ่งเกิดจะเกิดปัจจัยอย่าไปลงความเห็นว่ามันดีแล้วมันไม่ดีดีไม่ดีนี่มันเราว่าเ อ, าเองแล้วเราก็ยึดมัน ใครว่าเราไม่ดีทำไมเราไปโกรธใครว่าเราดีทำไมเราดีใจทาไมไมันเป็นอย่างนั้น mm hmm. ถ้าเราไม่ได้เป็นตามที่เขาพูดทั้งน่อยนี่คือความสลับซับซ้อนของจิตเราเราไม่มีทางจะกําจัดมันได้เลยโดยความรู้โดยความคิดอ่านพระไตรปิฎกจำได้ทั้งเล่มทำให้จิตเราบริสุทธิ์ไม่ได้ มันจะต้องเรียนรู้ตัวเราศึกษาสิกขาคอยเฝ้าสังเกตดูเฉพาะไอ้ตัวที่ว่างๆนะั่นแหละยอมีบางคนถามพ่อเฮ้เราไปยึดความว่างหรือเปล่า <c oughs> อ้อยงังยึดยงังดูถามหลวงพ่อถ้าเราอยู่กับความว่างมันจะกลายเป็นยึดความว่างไปไหม ไอสิ่งที่เรายึดเนี่ยถ้ามีตัวตนมันจะยึดถ้าไม่มีตัวตนมา ย, ยึดอะไรจะยึดอะไรก็ตัวตนมันไม่มีแล้วไอที่มันยึดทุกวันเนี่ยตัวตนมันไปยึดไว้โนนไอหนี้เป็นของกูมีตัวกูมีของกูลูกของกูเมียของกูสมบัติของกูอะไรของกูหมดเพราะมันมีตัวตนพอ ต, ตัวตนหายไปของกูก็หายไปเด้อเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ เราสังเกตและใจมันว่างเข้าถึงความว่างเข้าถึงสุ่ญชะตาเนี่ยตัวตนไม่มีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรไปรยึดอะไรแล้วมีแต่แสงสว่างส่องทางชีวิตเราแค่นั้นเองสองครั้งเลยนะพอพูดสองครั้งเลยนะสองครั้งโยมต้องไปปฏิบัติ ด, ดูอย่างนเนานะโยมต้องชำนาญในขั้นที่หนึ่ง ชมเลืองเลยเห็นเฉยเยได้ยินเฉยเฉยชมเลืองแล้วเห็นได้เฉยได้ยินเฉยสักตัวเห็นสักตัวได้ยินแล้วโยมจะเข้าถึงขั้นที่สองคือรู้พร้องโยมอาจจะทําอย่างนี้แล้วจะเกิดการรู้พร้องขึ้นมาก็ได้ mm. ไม่จําเป็นว่าจะต้องเดือนละสองเดือนสามเดือนไม่ต้องโยมอาจจะเห็นใจมันว่างแล้วรู้พร้องมันไม่มีขั้นตอนอาจจะรู้ได้ ในอีกองเดือนเก็จะมาพูดสูงสุดสู่สามัญลงมาสู่ชีวิตธรรมดาอยู่กับโลกที่เป็นของคู่ต้องใช้ภาษาอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่กับสังคมอย่างไรเราจะไม่ตกเป็นทาสของสังคม นายมมีใครจะถามอะไรบ้างหมคือเก้าโมงเจ็ดแปดเก้าแผ่นที่แจกไปอ่ะหายใช่แล้วก็ไม่รู้ฟังนะยโยมนะเอาไปฟังโยมยิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจได้ เอาไปคนละแผ่นแผ่นนี้น้อยหน่อยแปบดบแปบดบชั่วโมองไม่มีใครสงสัยเลยจะแสดงว่าเข้าใจหมด การแสดงธรรมของหลวงพ่อวันนี้จบลงแต่เพียงแค่นี้ขอความสุขกมเจริญให้ทุกคนเจริญในธรรมทุกคนเติอน